เป็นกลุ่มไหนเป็นมีอาชีพ ท, ทำงานอะไรกันมาเนี่เป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรหรือโอ้เ oh ย yeah, อะเลย อยากจะให้พูดเรื่องอะไรโน่น <c oughs> ยอมอยากฟังเรื่องอะไรกันลองพูดมาดูมีไหมอยากอยากอยากให้พระพูดเรื่องอะไรเขาเขาเขาไม่ได้กาหนดหัวข้อมาเนี่ยยอมอยากฟังเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรนะ <c oughs> แล้วใครอยากฟังเรื่องอะไรอีกบ้าโอ้ทางไปนิพพานทางคนทุกข์เอาอีกอีกเรื่องหนึ่งมีไหมอ๋อโคตรชงเชียหนึ่งทางไปพระนิพพานสองทางคนทุกข์ สามขยายพวชชงเจ็ดอ่ะสี่เลยยังไงทุกวันไม่ได้บ่อยดิแล้วมีอีกไหมฮะลาคีเล ต, ตัวไหน่ะลาตัวไหนกิเลสกิเลสมีอยู่สิบตัวใช่ไหมหนึ่งราคาความกำนักสองก็โทสะความโกรธสามก็โมหะความหลงเนื้อทีฮะความโกรธใครเป็นคนมากโกรธ แล้วนอกนั้นนะ่ะไม่คีอยากฟังเรื่องอะไรอยากฟังเรื่องอะไรยวัดไหนอยอมนิกชวนมาเลย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 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากทิเล็กแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมว่าทำด้วยข อ, อขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้ว ย, วยความเคารพออขอเจริญในธรรมยังมีแต่ญาติโยมพุทธริษัทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสในการที่ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์ในเรื่องของทางพุทธศาสนาก็ทำให้ชาวพุทธไม่ค่อยสบายใจกันเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เราได้คิดว่า ระดับพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นครีมสงฆ์เกิดว่าเป็นครีมต้องสังคมใช่ว่า <c oughs> <c oughs> เป็นบุคคลที่น่าจะสะอาดที่สุดยังมีกรณีให้เราได้ศึกษาอย่างเนี้ยก็ต้องบ่งบอกถึงว่าชาว ยายก็แต่งเครื่องย ทดสอบก็สอบหนึ่งสองสามขอดังกว่านี้ได้ไหมเจ้าคะโอี๋ทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบไม่เกี่ยวกนี้ทดสอบทดสอบ นะคะดสอบหนึ่งสองสาม พยมบันนมมือขึ้นอาว่าตามอัชชาอาทิงกตวาอะหังพุทธสะอัตานังนิยาเทมิอะหังธรมมัสสาอัตานังนิยาเทมิอะหังสังคัสสาอัตานังนิยาเทมิ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 อัชชาอาทิงกตวาอะหังพุทธักดิปรายโนโหมิอะหังธรร ม, มักดิ์ปรายโนโหมิอะหังสังคัสดิปรายโนโห ม, มิอิติมังทาเรถาติข้าพเจ้ากระทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้น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 อันเตวาสิโกโหมิอาหางธรรมมัสสะอันเตวาสิโกโหมิอหางสังคัสสะอันเตวาสิโกโหมิอิติมังทาเรถาติข้าพระเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิต มอบตนเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามอบตนเป็นสิทธิ์ของพระธรรมมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์ขอสง์โปรดจําข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดให้ตั้งใจระลึกนะว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้มอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระเรียสง์ ข้าพเจ้าได้มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนำชีวิตมีพระธรรมเป็นหลักนำชีวิตมีพระริกษุสองเป็นหลักนำชีวิตข้าพเจ้าได้เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระธรรมเป็นสิทธิ์ของภิกษุสองขอสงโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้ให้ตั้งหลักในลักษณะอย่างนี้เพื่อความมั่นคงในพระรัตนาตรายัยให้มีศรัทธาที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต ว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระรุตเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้เดยพระองค์เองพระรุตเจ้าถึงพร้อมได้วิชา8จรณะสิห้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสีประการท้าพรเจ้าก็จะฝึกตนเอง จากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นพุท ธ, ธะตามพระสัมมาสั ม, มพุทธเจ้าให้ได้จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามของพระธรรมในเบื้องต้นคือศีลฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามของพระธรรมในธรรมการคือสมาธิฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามในที่สุดก็คือปัญญาเป็นต้นให้ได้แล้วก็ให้ตั้งใจในการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าจะออกจากความเป็นปุรุชน เข้าสู <in> ่ความเป็นอริยชนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้นราสะโพเนเกสุเวสูติงสปารมีนามิศิราสานิจังปุเรตวาอาคตวรังโมขังนาโทวิชนโต ทวายังฮิตาวาธรรทักังโมดหังวนเนสุดุการังนามามิศิราซาธารังพระนราธพระผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัตนับพบนับชาตไม่ท้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสพาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียรกล้าวเป็นนิด พระนาถทรงปราถนาโมกษธรรมจระพรรชะโอรสและพระมหสีทั้งสองพร้อมได้แว่นแขวนแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระยานอันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพึก ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิพฤกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้ากิเลสสมานจนถึงมัจจุมาลเป็นที่สุดพร้อมทั้งกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอรัตมะขยานทรงบรรลุนุตราสัมมาสมปรียานแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้น พระจอมุนีเสด็จออกจากโพธิพึกนั้นแล้วเสด็จประทับณนะสถานที่อันประเสริฐ ด, ด้วยพระเนตรที่ไม่ทรงกระพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพ็นบนท้องฟ้าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่ประทับยืนไออันไม่กระพริบพระเนตรนั้นพระนาถเจ้าผู้คลายจากอามิต t ์กล่าวคือกิเลส ท, ทุกหมู่เหล่าทรงแสดงยะมะกับปฏิหารอันน่าอัศจรรย์ทรงเสด็จจงกรมองอาจดัดราชสี นรัตนะจงกรมเจดีย์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพราะองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้นพระไตโรกนาตผู้เป็นเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงเสด็จประทับอยู่นรัตนาคระเจดีย์กาวคือเจดีย์เรือนแก้วยังมหาชนให้สมนัสด้วยรัศมีกลาวคือพระฉับพันนาลังสีข้าพเจ้า ขอนอบน้อมกราบไหว้พระโลกนาถพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนครฐเยดีเจลีเรือนแก้วนั้นขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอันนั่งกันตามปกตินั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งแบบ เพราะว่าจะต้องใช้เวลานั่งน่าจะประมาณชั่วโมงกว่ากว่านิดหน่อยเหล๋ยวชั่วโมงครึ่งกว่ากว่าเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของคำว่าตถาคตโพธิสัตถาเนะก็คืออยากจะให้เรามีความเชื่อมั่นโดยนี้แหละก็คือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตคําว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ย ถ้าเราไล่ตามลำดับที่บอกว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สิ้นราคาโทสาโมหะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นแล้วเราล่ะเราเป็นปุถุชนเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเชื่อมั่นไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่อยากมนุษย์ธรรมดา ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นพระทหารตรสัมมาสัฆพุรธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังสามารถประกาศหลักการเขาเรียกว่าอริยสัจเนี่ยให้กับสัตว์อื่นได้ตัดสู้ตามด้วยถ้าเราเชื่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอาละตอนนี้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เราจะเชื่อมนุษย์ทันแรกคือพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรเชื่อปัญญาของท่าน เชื่อปัญญาของท่านที่สามารถฝึกฝนพัฒนาจนสามารถแทงตลอดอริยสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าได้และต่อมาพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญายานานั้นแหละมาบอกกล่าวมาแสดงมาเปิดเผยเมื่อพระุทธเจ้ามาแสดงมาบอกกล่าวมาเปิดเผยมาแสดงในเรื่องของสัจธรรมคือความจริงนั้นบอกทั้งทุกบอกทั้งเหตุให้เกิดทุกบอกทั้งจุดหมายคือความดับทุกข์กล่าวคือพระนิพพานและก็บอกวิธีการข้อปฏิบัติ ให้เราลงมือทําก็คือดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นต้นพอเราเชื่อมั่นตรงนี้ก็กลายเป็นว่าอะไรประหนึ่งเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงสองเชื่อมั่นว่าธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงว่าเป็นหลักการในการที่จะประพฤติธปฏิบัตินําประชาตว์ให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์จริงประการที่สามเชื่อมั่นตนเองไหม ว่าเราจะสามารถเดินตามหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั้นเข้าถึงความเป็นพุทธะตามท่านไดน้ใช่ไหมถ้าไม่เชื่อมัน่นเราก็ต้องมาดูที่ว่าหนึ่งพระพุทธเจ้ามีจริงตัดสู้จริงสองพระพุทธเจ้าประกาศหลักการกล่าวคืออริยสัจจริงจริงทรงสแสดงธรรมะจากกระปรวัตนสูตรใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้ยหมุนกองล้อหิงธรรมะ กฎของธรรมชาติกฎของความจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงเปิดเผยบอกหลักการในการปฏิบัติฉะนั้นพระธรรมเนี่ยมีความงามในเบื้องต้นคือศีลความงามในทรรการคือสมาธิความงามในที่สุดคือปัญญาฉะนั้นหลักการคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะนําพาประชาชนให้สามารถพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นได้และมีใครเป็นสักขีพัญนาไหมมีท่านอัญญากณทัญญาวปปาพัฏธิยะมหานามาอัชชีเนี่ย กลุ่มเป็นต้นๆเลยนะปัญปญวคีทั้งห้าแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยตามมามีทั้งย่าสักดิ์เวบุตรสุภาหูปุนาชีขวามปติเยอะมากเลยแต่เนี้ยนะพร้อมทั้งสหายอีก54ี่คนรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยในภาษาแรกเนี่ยบุคคลที่ตัดสู้ตา่างพระเจ้าเนี่ยหกรูป61พร้อมทั้งท่านนาลกะเนี่ยนะแล้วต่อมาพระบรมศา ส, สดาก็ประกาศ ให้หมู่ภิกษุเหล่านี้เข้าไปประกาศหลักการที่ตัวเองได้ตัดสรุปให้หมู่สัตว์เหล่านั้นได้ตัดสรุโดยโอภากันตัดสรุปใหญ่พระเจ้าก็ไปโปรดพระธั瓦คีสามสบแล้วก็ไปโปรดชดินสามพี่น้องพร้อมได้บริวารอีกพันหนึง่งไปโปรดพระเจ้าพิพิสารอีกแสนสองหมื่นคนบรรลุแสนหนึ่งหมื่นโอ้ยเยอะเลยแต่เนี้ยนะนั้นสักขีพยานเนี่ยนับไม่ถั้วเลยทั้งเป็นมนุษย์นี่ไม่นับไม่ทั้วเทวดากันนับอีกไม่ถั้ว อันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงบุคคลที่เขาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพุท ธ, ธเขามีตถาคตโพธิสัต tha หนึ่งเชื่อมั่นพระเจ้าสองเชื่อมั่นหลักการที่พระองค์ทรงสแสดงสามเชื่อมั่นตนเองว่าจะสามารถฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเข้าความเป็นพุท ธ, ธะตามพระเจ้าได้แล้วก็สามารถผันตนเองเข้าสู่ความงามในเบื้องต้นตามกลางที่สุดของพระธรรมได้ แล้วออกจากความเป็นบุรุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนตามอย่างอริยะคือพระพุทธเจ้าเป็นพาาระอรหันต์เป็นต้นได้เห็นไหมเขาเชื่อมั่นตนเองเขาจริงได้ตรง น, นั้นในยุกทุกยุกในยุคนั้นน่ะบุคคลที่พระพุทธเจ้าไปโปรดไปแสดงหรือสาวกพระพุทธเจ้าไปโปรดไปแสดงธรรมเขามีความเชื่อมั่นแบบนี้หมเลยที่เรียกว่าจถาคตโพ ธ, ธิสัตถาเชื่อมัน่นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะแล้วเขาจะทําตนเองให้เป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าได้พอล่วงการผ่านมาตามลําดับ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยปีสองร้อปีตามลําดับหลังพุทธปริพิพธ์นะคนก็พากันเชื่อมั่นแบบนี้โวบรรลุ ก, กันเป็นแถวเป็นแนวเลยจนมาถึงประเทศไทยใช่ไหมพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ยุคสามร้อปีหลังพุทธปริิพาน์พระโสนาพุตระเนี่ยนำพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิแล้วก็มีพระปฐมเจดีย์เป็นตน้นเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมของสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นประเทศ พม่าเอยประเทศกัมพูชาเอยลาวเอยอินโดนีเซียตลอดถึงมาเลเซียเป็นต้นเหล่านี้ก็มีประเทศสวนภูมิคือประเทศไทยจัดสวนกูลก็มีเนี่ยพระปทมเจดีเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคนในยุคนั้นก็พากันบรรลุ ก, กันนับไม่ถ้วนเหมือนกันเพราะเขามีอะไรมีคำว่าแตถาคตโพธิสถานเขาเชื่อมั่น ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระธเจ้าจริงเชื่อมั่นพระธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่สามารถประพฤติปฏิบัติแล้วเข้าถึงความงามได้จริงและเมื่อเข้าถึงความงามของพระธรรมได้ทุกระดับแล้วตนเองจะผันจากตนเองจากบุตรชนคนมืดบอดกลายเป็นผ้าลีลาดา <c oughs> เขาก็พากันบรรลุ ก, กันเยอะแยะหมดเลย <c oughs> เพอจากสามร้อปีเป็น400รปี500ปีเป็นพันปีเป็น2000ปีตอนนี้สอ0พักว่าปีแล้วใช่ไหม สองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบหนึ่งพอมายกนี่มาถามพวกเราเชื่อมั่นไหมเอเชื่อมัน่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตไม่มีตถาคตโพธิสัต tha เชื่อมัน่นพระเจา้าเป็นพระญ า, จ, าจริงไหมเชื่อมัน่นพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยสามารถยังุกทำบุคคลที่ประพฤติธปฏิบัติตามให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลความงามในท่ามกลางคือสมาธิความงามในสูงสุดคือปัญญาได้จริงไหม เชื่อมั่นได้บุคคลปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาจากปุถุชนผู้มืดบอดจะเป็นพระรยาได้จริงไหมแล้วเชื่อมั่นในเราไหมเดี๋ยวนี้ชักเสียงอึ้งๆเลยเดี๋ยนะี <c> ้ <oughs> ใช่ไหมมันขาดตรงนี้ยังไงมันขาดว่าโอ้คนอื่นเขาทาได้แต่เราทําไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมคนอื่นเขาเป็นมนุษย์แต่เราไม่เป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นไม่เป็น เอาเป็นอีกพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ไหมพระโมคราณาภาษาลีบุตรเป็นมนุษย์ไหมอัญญากลทัญญะว่าป่าพัทธิยามหานามาอัสเชียเป็นมนุษย์ไหมญาสากุลบุตุลนาเชียควัมปฏิเนี่สุภาหูปุลนาเชกยความปฏิเป็นมนุษย์มยญญรรยยมหาามเนมนยมยยาาลนมเนย น, น, นยยชะชดินสาพี่น้องนะอุรุเวลากัดศพขยาดศพเนี่ยนาทีกัดสบาเป็นต้นพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันเป็นมนุษย์บมเลยนะเนี่ยพระเจ้าพิมพ์สารเป็นมนุษย์ไหยบริวารอีกสิบ เอ็ดน่าโหดก็คือแสนหนึ่งหมื่นเป็นมนุษย์ไหมนางวิสาขาก็เป็นมนุษย์ใครก็เป็นมนุษย์กันหมดแต่เขาเหล่านั้นจากบุตรชนมืดๆบอดก็กลายเป็นพาริยากันหมดแล้วเหลือแต่คนที่ไม่มีตถาคตโพธิสัตย์ที่ไม่เชื่อมั่นเท่านั้นแหละพากันเป็นบุตุชนอยู่ทุกวันเนี่ยหรือยังอยากจะสมาทานความเป็นบุตรชนอยู่ดีไหมเป็นบุตรชนเนี่ย ว่าเร <it> ามีความโลภเกิดขึ้นเราก็เป็นทาตของความโลภความโกรธเกิดขึ้นก็ยอมเป็นทาตของความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็เป็นทาตของความหลงโทษจริตกายโทษจริตวิจิตรโทษเจริญมโนโทษจริญเกิดขึ้นก็ยอมเป็นทาตของโทษจริญเหล่านั้นเขาให้ไปโกรธใครก็โกรธเขาให้ไปด่าใครก็ด่าเขาให้ไปชมใครก็ชมเขาให้อยากกินอาหารอะไรก็กินไม่สนใจและร่างกายจะพังจะหัวมันยอมเป็นทาตกิเลสดีไหมตกลงเราจะยอมเป็นทาตของพระเจ้าหรือจะยอมเป็นทาตของกิเลสก็บอกมาอ้าว เป็นธาตุพื้นฐาดีเป็นธาตุของพระเจ้าใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดเราพูดไปตามพระว่านําหรือว่าพูดตั้งใจที่จะตามเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าพเจ้าขอมอบอัตภาพแหนนี้แดดพระเจ้าเดี๋ยวว่าทําเดี๋ยวว่าสงฆ์เข้าใจคําว่ามอบอัตภาพไหมแต่ว่าอะไรเอา้าถวายอัตภาพเนี่ยอัตภาพนี้ประกอบไปด้วยรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหม เมื่อถวายพระพุทธเจ้าแล้วแปลว่าถวายให้กับปัญญายาณตัสรูของพุทธเจ้าแล้วถวายกับธรรมะถวายกับพุทธธรรมสังฆะก็คือเราถวายอัตภาพนี้ให้เป็นธาตุของศีลสมาธิปัญญาจะไม่ยอมเป็นธาตุของกิเลสใช่ไหมเมื่อกี้ที่ประกาศไปสักครู่เนี่ยต่อไปความโลภอย่ามาเกี่ยวข้องกับฉันอีกฉันอยาขาดไม่เซนสัญญาต่อ กลับไปก็ไปบอกกับสามีไปบอกกับพ่อแม่ไปบอกกับพี่น้องไปบอกกับลูกบอกลูกเอ้ยต่อไปแม่ไม่เป็นทาสของโลภะเทวะอีกแล้วแม่เป็นทาสของพุทธธรรมสังฆะเชิญด่าได้ <c oughs> อย่างนี้ไหม <c oughs> เป็นไม่เป็ น, มนไม่โกรธแล้วนี่ใช่ไหม <c oughs> เพราะอัตภาพนี้เป็นน้องไคร ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ถวายใครกลับไปบอกสามีนะโอ้ฉันเพิ่งรู้ความจริงวันนี้ว่างั้นนะตอนนี้ฉันถวายพระเจ้าแล้วโล่งเลยตอนเนี้ยใครจะด่าใครจะว่าใครจะชมยังไงไม่มั่นคงดุดเสาละเนียดก็ยินยยินคําว่าเสาละเนียดน่ะเสาเหมือนกับเสาไม้ที่ไม้แก่นปักเข้าไปในดินลึก สิบวารยี่สิบวาลมพัดแล้วไหวไหมหวั่นไหวไหมโอ้โหนี่กิเลสมาพัดยังไงก็ไม่หวั่นไหวใครจะมาพูดให้รักแบบกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไม่ได้กินฉันไม่หวั่นไหวแล้วใจฉันมั่นคงดุดราชสี <c oughs> ใครจะมายั่วยวนให้โกรธให้เกลียดให้อาฆาาพยาบาลก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหจิตมีพลังมาก ใครจะมายั่วยุให้ฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยก็มีปัญญาอย่างเห็นความจริงโหมีพุทธ ธ, ธรรมสังฆาเป็นหลักนำชีวิตนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปดีไหมโดยใครมันพวกนั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆยังงุดหยิดเพื่อนอยังมีไหมเห็นไหมว่านในหลักการจริงๆเนี่ยว่าหนึ่งการตั้งใจแบบนี้เขามีความเชื่อมัน่นพวกเราเชื่อไหม เชื่อมั่นพระเจ้าไหมเชื่อมั่นพระธรรมไหมเชื่อมั่นพระริยาสองไหมเชื่อมั่นตัวเองไหมเชื่อว่าต้องใส่ชาตินี้ไม่ไหวแน่ยังเชื่อเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อยังไงเชื่อว่ามันจะไหวหรือยัยเชื่องี้ไหมอ๋อเป็นงั้นเ่ย ไอ้ที่ไม่เชื่อมั่นตนเองเนี่ยไม่เชื่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไอตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเรามีความเชื่อไหมว่าเราจะเรียนจบเชื่อตัวเองใช่ไหมเชื่อว่าจะเรียนจบด้วยใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่าจะต้องหางานทำได้เชื่อใช่ไหมเชื่อไหมว่าจะต้องมีแฟนเชื่อหมเชื่อว่าจะต้องมีลูก ได้ตั้งความเชื่ออย่างนี้ไหมว่าชาตินี้ฉันจะต้องแต่งงานนีได้นี่ยเคยเชื่ออย่างงี้ไหมหรือไม่เชื่อเลยเพราหน้าตาอย่างเราไม่น่าจะแต่งได้เลยนี่เชื้แต่ไม่เชื่อมั่นอย่างนี้เลยปะยอมที่นั่งบนเก้าอี้สุดน ม, มีความเชื่อไหมว่าจะแต่งงานได้ไม่ได้แต่งเนี่ยวะโอ้ยยังถามถูกคนเลยเนี่ย ตอนนั้นไม่เชื่อใช่ไหมนั่นเห็นไหมเลยไม่ได้จริงๆด้วยเนี่ยเห็นไหมเพราะไม่เชื่อใช่ไหมถ้าเชื่อป่านนี้ก็คงแล้วตอนนี้อ้าถ้าเชื่อมั่นว่าฉันจะต้องแต่งงานให้ได้คิดว่าจะได้ไหมไม่แต่งนะแล้วตอนเรียนหนังสือเชื่อมั่นไม่ว่าจะเรียนจบ วาเรียนไปจน่จบอแล้วไปสอบอะไรแล้วไปสอบอะไรอ๋ออ๋ออ๋ อ, อได้เป็นครูด้วยนะดีนะนักเรียนไม่ค่อยรู้ประวัติยอม <c oughs> แต่รู้ก็่อยากจะเรียนแล้ว แต่ก็เป็นครูได้นะโอเคถือว่ารอดไปเออหน้าท้อไม่ยอมชีวิตเนี้ยแล้วเชื่อมั่นไหมว่าเราเนี่ยจะเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าได้เชื่อมั่นไหมเชื่อไหมพุทธะมีสามอย่างนนหนึ่งสัมมาสัมพุทธะกลุ่มตัสรูุเองโดยไม่ต้องมีครูอาจารย์ใช่ไหม แต่ประกาศหลักการนั้นในคนอื่นหลักการที่ตนเองตัดสู้ให้บุคคลอื่นตัดสู้ตามได้ด้วยนี่เขาเรียกสัมมาสัมพุท ธ, ธะสองปัจเจกพุท ธ, ธะนี่กลุ่มตัดสู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่ไม่สามารถตั้งหลักการพระศาสนาหรือสอนให้บุคคลอื่นตัดสู้ได้เพราะกําลังของกรุณาไม่พอเออเป็นไมพวกเราเนี่ยประเภทกัุณาคนอื่นน้อยอ่ะ ไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะไปช่วยใครแล้วแค่ตัวเองก็แย่แล้วอะไรเงี้ยมีไหมแบบนี้หรือว่าเอออยากจะช่วยคนอื่นด้วยมีไหมกัลปนาตัวนี้เรามีไหมมีใช่ไหมมีน้อยหรือมีมากถ้ามีมากยังหาขอบเขตไม่ได้ก็เรียกกลุ่มสัมมาสัมพุทธะแต่ถ้าปัจเจกพุทธะท่านมีน้อยข้อนี้ยน้อย ส่วนพุทธะประการที่สามเขาเรียกว่าอนุพุทธะหรือสาวกสาวพุทธะเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือตัดสืบด้วยการฟังด้วยการปฏิบัติตามหรือตั ด, ตดสืบตามสัมมาสัมพุทธะเราอยากจะเป็นพุทธะกลุ่มไหนกลุ่มสัมมาสัมพุทธะเลยไหมหรือกลุ่มปัจเจ ก, กพุทธะหรือกลุ่มอนุพุทธะตัดสืบตาม ตัดสู้ตามใช่ไหมแล้วยังมั่นใจไหมว่าตนเองจะสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าได้จริงมั่นใจไหมเอาชาตินี้หรือชาติหน้าฮะเอาชาตินี้หรือชาติหน้าเอาชาตินี้เสียงไม่ดังเลย <c oughs> เวลายมบอกเอาชาตินี้แต่แววตาเขายอมเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับอะไรเหมือนแพ้ ไม่เหมือนแววตาเหมือนราชสีเลยอ่ะเวลาเขาจะเอาสัตว์ไปบูชายันเขาเอาราชสีหรือแพะงั้นพวกเราควรทํำสายตาเหมือนแพะหรือเหมือนราชสีราชสีกับสุนัขไม่ต่างกันไหมโยมต่างไหมใครมีความกล้าหาาญกว่ากันเวลาเอาไม้เนี่ย เอาไม้ยาวๆเนี่ยไปไปแหย่หรือไปกระทุ้งไปแย่สุนัขสุนัขมันจะกัดอะไรถ้าไปแย่แล้วจอ่ะสุนักนจะกัดอะไรมันจะกาดคนมันไม่กัดไม้หรอกใช่ไหมงั้นเราจะเป็นราชสีหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่มีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ไหมมีพลัง บรรลุแน่ชาตินี้คิดตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนคิดอย่างนั้นไหมถามว่าต้องการอะไรเนี่ยบอกต้องการบรรลุชาตินี้แหละอยากจะเป็นพุทธะตามพุทธเจ้าในชาตินี้แหละคิดอย่างนี้ตลอดไหมไม่เป็นอันกินอ น, นอนเลยอย่างนี้เป็นไหมไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมเวลาโยมเวลาโยม ไปทํางานหรือว่าไปรับผิดชอบงานอะไรโยมคิดตลอดไหมจะต้องเสร็จให้ได้เสร็จให้ได้แล้วทําไมโยอมอยากจะบรรลุธรรมทำไมโยมไม่คิดอย่างนี้บ้างไ น, นีมันก็แค่ความคิดกันนะั้นก็ใส่ความคิดไปที่ใช่ไหมล่ะเราต้องบรรลุให้ได้เราไม่อยู่แน่ความเป็นบุรุชนเนี่ยน่าเบื่อเหลือเกินเนี่ยต้องบยอมเป็นท่ต้องเป็นทาตของราคะโทสาโมหะมานะทิฏฐิวิจิจิชาหีริกาโนตปาอุทะจาต้องเป็นทาตุของกายโยุจริตธวิจีทุจริธทรธมโนโยตุจริท ต้องโทกิเลสครอบงำต้องเป็นทาตต้องขึ้นกับเขาตลอดเวลาชีวิตไม่เป็นอิสระเสรีภาพเลยเรื่องอะไรเราจะต้องมาจมปากอยู่กับการเป็นทาตของกิเลสเหล่านี้ฉันต้องการปลดเปลื้องจากความเป็นทาตของกิเลสคือราคาโทสาโมหาเป็นต้นไปเป็นทาตของศีลสมาธิปัญญาเป็นทาตของพุทธธรรมะสังขาดีกว่าคิดงี้ไหมแต่ละวันคิดแบบนี้ไหมต้องคิดแบบนี้เราคิดบ่อยๆคิดเสมอๆปลุกเราตัวเองบ่อยๆอย่างนี้มันถึงจะเป็นก็ใจยัง ถ้าอยากฉันฉันเป็นพระฉันคิว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นแลพระไม่อยากเป็นแลพระฉันจะได้เป็นมะฉันคิดตลอดเวลาฉันจะเป็นพระฉันอยากเป็นพระที่ดีอะไรเงี้ยนะฉันจะไปฝึกผลพัฒนาตนเองฉันจะบรรลุทำไม่ได้ไงฉันก็คิดแค่นี้แหละไม่ใช่โอ้จะไหวหรือเนี่ยไม่ไหวเลยสึกดีกว่าไม่รอดแล้วเนี่ยอะยอมเป แต่งงานเนี่ยยอมคิดว่าโอ้เลี้ยงไม่ไหวแล้วไว้ลูกไม่ไหวแล้วไม่อยากเป็นแล้วไว้แม่หน้าเบื่อเกินเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยไม่เอาแนละ้วไม่เอาแล้วเนี่ยยอมคิดอย่างนี้ทุกวันไหมคิดยังไงต้องเลี้ยงให้ได้ต้องเลี้ยงลูกให้ได้ตลอดใช่ไหมคิดทุกวันไหมอา้าวทำไมคิดแล้วนที่จะพ้นทุกข์ทำไมไม่คิดแล้วนี่เป็นชาวพุทธกันจริงว่าเนี่ย พุทธะจะเป็นชื่อของปัญญาเนะพุทธะจะเป็นชื่อของปัญญาตัศรุเป็นชื่อของปัญญาที่เชื่อมั่นพุทธะเนี่ยก็คือเชื่อมั่นปัญญาตัศรุของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะพัฒนาปัญญาประเภทนั้นให้เกิดขึ้นในตนให้ได้และเราได้ตัดสินตามพระพุทธเจ้าหได้ก็มีความเชื่อมั่นแบบนี้ยมไม่ไม่เชื่อเลยหรือแบบเนี้ยต้องปลูกอัธยาศัยปลูกความเข้าใจเนี่ยให้เกิดความเชื่อมั่นแบบนี้ตลอดใช่ไหม ตื่นขึ้นมาตอนเช้าคิดก่อนเลยว่าเออเรายังไม่ได้ตัดสรู้นะเราจะต้องตัดสรู้ให้ได้เนี่ยเอาวันนี้แหละอะไรเงี้ยเขาคิดกันอย่างนั้นเนะบางคนคิดแบบเนี้ยคนที่เขาได้บรรลุธรรมเขาคิดแบบนี้แหละ <c oughs> ตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นสุเมธาดาบทเนี่ยท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระอรหันตส า, าวก 4, สีส่แสนรูปเดินมาเนี่ยท่านมนัสิการในใจว่าถ้าท่านฟังธรรมนะ ธรรมะสี่บาทคาถาเนี่ยอย่างยงกตัวอย่างเช่นสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตินี่เขาเรียกหนึ่งบาทบาทหนึ่งบาทคาถาก็แปดคำเยอะสัพพังลาสังธรรมะราโสชินาตินนนาาาาาาเนี่ยเนี้ยนีอีกสองบาทหนึ่งบาทละสองบาทบาทคาถาสัพพะราติงธรรมะราติชินาติอันเนี้ยอันนี้อีกหนึ่งเป็นสามเนี่ยเนี่นะเลย ตันหักขโยสัรพะทุขังชินาติเนี่ยนะอันนี้เป็นสี่แล้วเนี่ยสี่บาทเนะี่ยฟังเนี่ยคนมีปัญญาเขาฟังแค่นี้ได้บรรลุแต่พวกเรายังไม่รู้เรื่อง <c oughs> อาจจะฉันจะแปลให้ฟังเธอยอมจะบรรลุไหมลองดูนะยอมตั้งใจดีๆนะเผื่อที่บรรลุแวบหนึ่งจะจะได้อาศัยให้ท่านไหนได้ไ ด, ได้ไปถามว่าบรรลุได้ยังไงฉันท่องมาตั้งนานยังเห็นไม่ได้บรรลุเลย การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงนี่ยอมฟังนี้แวบๆบ้างไหมยังไม่แวบเลยเนะี้ยความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงรถแห่งพระธรรมชนะรถทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงมีแวบบ้างไหม <laughs> ไม่มี <laughs> แสดงว่าไม่ใช่อุคติตันยู พอเขาอุคติตันยูฟังแค่นี้ก็จะ ไ, ได้บรรลุโยประเภทที่ปัญญาเร็วอะสงสัยเป็นวิปจิตตันยูมั้งต้องขยายดีไหมเดี๋ยวขยายให้ใ ห, ให้พิสดารเลยเอาไหมเพื่อที่จะได้แวบๆ แ, แ, แ, แต่ฉันขยายหลายรอบแล้วไม่เห็นมีใครแวบตรงนี้สงสัยวันนี้เหนื่อยเปล่าอะไม่เป็นไรหรอกอาจจะเป็นในญาติบุคคลก็ได้ในญาติเขาบอกว่า เพียนแล้วเพียนอีกใช่ไหมเพียนแล้วเพียนเราไม่หยุดไม่หยุดบางทีเนหกสิบปีได้บรรลุเลยมีเท่าไหร่แล้วหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีในที่เราไม่ได้บรรลุเพราะเราไม่ได้เพียนเรื่องนี้มาใช่ไหมเราไปคิดเรื่องอื่นมาไงตอนนี้ตั้งหลักทันไม่ยอมทันไหมหวังว่า <c oughs> คือตรงนี้ก็คือว่า การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยหมายความว่าธรรมะเนี่ยนะการให้หลักความจริงให้หลักการปฏิบัติให้หลักความประพฤติบอกหลักในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเลิศกว่าประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นเมื่อนอามาเอาคําสอนมาให้เนี่ยทําให้ยอมได้รู้ได้เข้าใจในการดําเนินชีวิต ว่าจะทําพฤติกรรมตนเองให้ดําเนินไปตามศีลอย่างไรงปรับสภาพจิตใจให้ดำเนินไปตามสมาธิและความเพียรและสติยังไงปรับทัศนะความเห็นตนเองให้เป็นใบกัญญาปัญญาเพื่อแทงตลอดสัจจะและความจริงเป็นต้นอย่างไรเนี่ยฉะนั้นการให้ธรรมทานเหล่านี้จึงชนะการให้ทั้งปวง ก, การให้วัตถุสิ่งของไม่ว่าจะให้อาหารที่โยนใส่เครื่องดูดหอยยาเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันเป็นการให้เพียงแค่วัตถุอย่างเดียวไง และแต่บุคคลที่อยากให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องและเป็นปัจจัยความสิ้นทุกข์ได้ก็ต้องได้การฟังธรรมะเท่านั้นฉะนันการให้ธรรมทานยินชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงนะยอมยินดีบุตรยินดีภรรยายินดีสามียินดีพ่อกรัพย์ยินดีบ้านยินดีที่ดินเงินทองทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยความยินดีเหล่านี้มันนําให้ชาต์เหล่าเนี่ยจมอยู่ในวัฏทุกข์ยอมลองยินดีด้วยที่ ยอมลองไปสร้างความยินดีย่างคว้าสร้างความเพิดเพลินเยอะๆนะสร้างไปยินดีในรถบ้างยินดีในที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มบ้างยาบ้างบุตรบ้างภรรยาบ้างสามีบ้างยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงได้ลาบได้ยศได้สุขได้สารเสริญยินดีไปเรื่อยๆเนี่ยในขณะที่เราสร้างความยินดีสร้างความเพิดเพลินความพอใจปักแน่นในเรื่องเหล่านี้ไอ้ตัณหาก็ไปฉาบติด ง่ายนิดเดียวถ้ายอมอยากจะเกิดเป็นสัตว์เดบลชานยอมก็ไปยินดีพวกสุนัขบ้างแมวบ้างเป็ดไก่บ้างไปยินดีเยอะๆยอมคิดว่าถ้ายอมใกล้ตายนะถ้าไก่รอยมาเนี่ยยอมควรจะไปเกิดเป็นอะไรลอยมาปรากฏเนี่ยใครชอบกินไอ้เคเอฟซีมันลอยมาเลยตอนใกล้จะตายปุ๊บนี่ยอมควรจะไปเกิดที่ไหนอ่ะยอมควรจะเกิดที่ไหนดีก็เกิดในท้องไก่ไง ก็ไปปฏิสนธิใช่ไหมแล้วหนัเขาก็ออกมาเป็นตัวเป็นไข่อินนั้นถ้าไปยินดีในต้นไม้คนชอบจัดสวนเนี่ยแล้วถ้าภาพในมิตของสวนมาปรากฏใกล้าตายยอมควรจะเกิดเป็นอะไรดีในสวนนั้นมีอะไรบ้างอ่ะมีเยอะเลยนะใช่ไหมล่ะหรือจะเป็นเทวดาเฝ้าสวนได้ไหม เป็นแค่เปดเดงด้วยส่วนใหญ่เป้าสวนเอา้าถ้าใกลจะตายถ้าบ้านหลังนี้นิมิตรบ้านหลังนี้ไปปรากฏก่อนตายยอมจะ ม, มาเกิดเป็นอะไรดีมีอะไรวิ่งอยู่แถวนี้บ้างอา้าก็เราอุตส่าห์มาที่ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยสิ่งดีๆมาปรากฏอย่างนี้แล้วไม่ไปดีหรืไปดีได้ไหมถ้าถ้ามาปรากฏแล้วนึกถึงตนเองจเจริญกุศลคนละเรื่องนะใช่ไหมล่ะ ถ้าใกล้ตายถ้าหักน้ําปรากฏอ่ะน้ําทะเลมาปรกากฏเพราะชอบเที่ยวทะเลอะยอมคนเกิดเป็นอะไรดีดีไหมอยากเกิดเป็นปลาวานไหมยอมปลาวานก็กินสัตว์ทีละหนึ่งตันนะคิดว่าจะฆ่าสัตว์เยอะไหมวันนึงวันละห น, หนึ่งตันหนึ่งตันที่มันกินเยอะไหมแล้วคิดว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกไหมเนี่ยโอ้โหทำบาปทุกวันเลยเนาะ เอาไหมสมาทานไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกรณียินดีไปเถอะพระเจ้าจะว่ายินดีในบุตรในภรรยาในสามีในทรัพย์เป็นต้นเหล่าเนี้ยความยินดีเหล่านี้ทําให้สัตว์จมอยู่ในสังสารวัฏแต่ถ้ายินดีในธรรมที่ชนะความยินดีทั้งปวงยอมมายินดีในศีลยินดีในสมาธิยินดีในปัญญายินดีในพระนิพพานยินดีในศรัทธาวิริยัสติสมาธิปัญญายินดีไปสิเนี่ย เมื่อเรายินดีแล้วก็จะพอกคูณศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบุญยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะยินดีในพระนิพพานแล้วก็ดําเนินกระแสชีวิตเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเพื่อความพ้นทุก์ยินดีแบบเนี้ยชนะความยินดีทั้งปวงยอมยินดีกันบ้างไหมยินดีในศีลสมาธิปัญญาไหมยอมยินดีไหมยินดีในพระเจ้าในพระธรรมประสงค์ไหมระหว่างคิดถึงโลกกับคิดถึงพระเจ้าคิดอันไหนมากกว่า ไม่เชื่อล็อกดูหน้าเนี่ยนานๆยังมาฟังทำทีเนี่ยคิดถึงพระเจ้าจริงว่าพูดจริงหรือก็หกจริงเงี่ยวันหนึ่งคิดถึงพระเจ้ากี่ครั้งโอ้โหนั่งนับเลยคิดถึงโลกว่ะกี่ครั้งระหว่างโทรหาพระเจ้ากับโทรหาโลูกโทรหาใคร ฮัลโหลพรุทธเจ้าอยู่ไหมอะไรเีมั้ยอยากฟังธรรมมีบ้า <laughs> งไหมเอ๊ะเขามีที่ฟังธรรมกันที่ไหนได้ฟังธรรมก็มีปฏิบททัติธรรมที่ไหนเนี่ยคิดถึงพรุทธเจ้าแบบเนี้ยบ่อยไหมยินดีในพระุทธเจ้าไหมเป็นงั้นจริงเลยใครจะมาคุยได้อย่ามายุ่งกับฉันฉันกำลังจะคิดถึงพระพุทธเจ้าก <laughs> ูยังไม่เป็นอย่างนั้นเ น, <laughs> นี่เห็นไหมยินดีในธรรมชนะยินดีทั้งบวงใช่ไหม รสแห่งพระธรรมชนะรสทั้งปวงรสเนรสเนี่ยรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสอาหารยอมชอบกินอาหารมั้ยอร่อยๆมั้ยชอบไหมชอบใช่ไหมระหว่างกินอาหารที่อร่อยอร่อยกับการที่จะมานั่งสมาธิให้จิตเดินดื่มด่ำธรรมรสเนี่ยยอมชอบอะไรมากกว่ากันถามจริง <c oughs> <c oughs> แสดงว่ายอมยินดีอะไร ไม่ได้ยินดีในธรรมะไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ชอบรถแห่งธรรมะชอบรถอาหารมากกว่าใช่ไหม ร, รถอาหารยอมลองคิดเดูยอมเคยเห็นวัวควายไหมปัจจุบันไม่ค่อยหาไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมควายเนี่ยยมเวลามันมันกินอาหารเนี่ยมันกินยามันกินใหญ่กินพุดปุดปุดมันตั้นหามันเยอะจัด กินกินกินกินกินกินกินมันมันเห็นยาดูหูมันต้องกินเต็มที่อะกินจนท้องมันแน่นเลยนะพอเต็มที่แล้วกินเต็มที่เบสเร็จแล้วมันก็ไปนอนนอนเสร็จแล้มันก็ขย่อนออกมาแล้วก็มาเคี้ยวปึ๊ดปมันรดรดมันมันติดรดติดรดน้ําลายตัวเองถ้าไม่มีน้ําลายยอมว่ายอมจะกินอาหารอร่อยไหมถ้าถ้าถ้าในปากอยอมไม่มีน้ําลายเลยมีไหม จะอร่อยไมอ่ะน้ําลายไม้มน้ำลายที่ปลายลิ้นน้ําลายที่กลางลิ้นกับน้นําลายที่โคน ล, ลิ้นยอมว่าต่างกันไหมสีของน้ําลายต่างกันไหมที่ปลายลิ้นจะใสใสที่กลางลิ้นก็ขุ่นหน่อยถ้าหาที่โคน ล, ลิ้นเนี่ยจะเหลืองเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยน้ําลายสามประเภทเนี่ยมันจะมากลั่วกันหมดเหมือนเหมือนรากสุนัขสุนัขที่มันอ้วกออกมายอมเชื่อไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆ อายอมเคี่ยวอาหารลองไปเคี่ยกันนะเดี๋ยวตอนไปกินตอนกลางวันนีนะแล้วคายมาดูนะคลายใส่ถ้วยเคี่ยวเสร็จก็คลายใส่ถ้วยคลายใส่ถ้วยพอเต็มถ้วยก็มาตักที่คายไปกินต่อไหวไหมเพราะอะไรนี่แต่ถ้าเราไม่คลายมาทําไมกินลงอะ่ะฮะเอาแค่ไม่เห็นแค่นั้นเหลือปัญญาก็ไปเห็นบ้างไม่ได้หรือทาไมต้องไม่เห็นต้องจําเป็นต้องเห็นด้วยตาเนื้อใช้ตาปัญญาก็ไปเห็นมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรือใช่ไหม ยอมกินอาหารเนี่ยเวลากินเนี่ยอออออ ย, ย, ยอมแบ่งไหมมีของหวานมีของเค็มของมันของเผ็ดอะไรเงี้ยยอมแบ่งไหมในกระเพาะของโยมมันมีแบ่งไหมนี่ใส่ของหวานของเค็ม ม, มีอย่างนั้นไหมเริ่มไปรวมกันหมดแล้วก็กินพร้อมๆกันเลยไม่ได้เลยได้ไหมถ้างั้นตลองไปทําดูเลยนะความยินดีในไอรถแห่งธรรมะเนี่ยชนะความ ชนะรถทั้งกวงก็แปลว่ารถเหล่านี้มันทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจ็บปวดจมติดอยู่บางคนเนี่ยมัดกันที่จะไปกินอาหารเนี่ยบางคนนี่นัดกันเย็นไปกินอาหารที่ญี่ปุ่นเลยนะขนาดนั้นโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยอาหารดีมากอาหารทะเลอาหารสดๆเขาใ น, น, นี่ยวางนง้นนัดกันเลยนะ หาเงินหาทองเสียจ่ายค่าเครื่องบินคนละห้ามื่นบาทไปแล้วนู้นไปกินถึงญี่ปุ่นอยากจะไปกินอาหารนะติดรถบางคนเนี่ยจังหวัดไหนรู้หมดร้านอาหารไหนดังๆวะงัง้ใช่ไหมแล้วไปกินกันมาหลายรอบไว้ยังเนี่ยนี่เห็นไหมมันกระจมแต่ทั้งหลายกระจมอยู่ในรถหล่าเนี้ยพระยาทีนี้ รถที่ดีที่สุดคือรถของสติปัฏฐานสมปัฏฐานอินทิบาทอินทรียปราพโอชงอริยมรรครสของศีลรถของสมาธิรถของปัญญารถของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจะสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสมาสติสมาสมาธิรสแห่งธรรมะเนี่ยคชนะรถทั้งปวงยอมถ้ายอมได้ได้ดื่มดมในรถของศีลสมาธิปัญญาเหล่าเนี้ยมันจะมีความสุขที่ละเอียดอ่อนและประณีตมากยอมเคยได้สมาธิระดับสูงบ้างยัง ยังได้ยังโทสะมีรสชาติไหมมีไม่มีมีไหมโทสะเนี่ยมีไหมรสชาติของโทสะเนี่ยสาติดไหมโอ้ถ้าใช้โทสะกับคนค น, นี้รู้สึกมันขมมันได้สามีคนนี้ต้องโกรธมันมบ่อยๆถ้าโกรธรู้สึกมันยอมอะ่ะทำตาเขียวๆเวสร็จมันดุมันดาน่าบ่อยๆโอ้หมันยอมนียังลูกกับมันไงใช่ไหม ยอมมักจะใช้โทรศัทไปสอนนักเรียนก็เหมือนกันใช้ตาดูดูเหมันโอ้โหรู้สึกมันยอมทุกทีเลยเนี่ยลักษณะเนี้ยเรียกว่าติดรถของโทรศัทใช่ไหมบางคนก็ติดรถของโลภะยอมติดรถความฟุ้งซ่านบ้างไหมโอ้โหมันเพลินเมื่อคิดฟุ้งไปทั่วใช่ไหมคิดจนกลายเป็นทำสมาธิไม่ได้เห็นไหมอกุศลมันก็มีรถของมันนะถ้าไม่มีอ า, าสตัตวไม่ติดหรอกบาปทั้งหลายเหล่านี้ คนเวลาไปโลดไปโกรธไปหลงทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีรสชาติทําให้สัตว์มัวเมาลุ่มหลงแล้วก็เพลิดเพลินกับมันแต่อย่างนั้นน่ะมันเจ้าทําให้จมอยู่ในบาปอกเสลกรรมมันชั่วร้ายดีไหมแต่รสที่ดีที่สุดก็คือรสของศีลสมาธิปัญญายอมลองดำศรัทธาเกิดขึ้นในพรรุทัตนะตรายที่ยอมอยมีความสุขมากยอมเคยมีไหมล่ะเคยมีศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาเคยมีความเชื่อมันม่นไหมยอมมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไหม เชื่อมั่นไหมแล้วเวลาความเชื่อเกิดขึ้นเนี่ยยมมีความสุขไหมเห็นไหมขนาดความเชื่อยังมีความสุขขนาดนั้นนะทีนี้ถ้าความเชื่อนั้นเนี่ยยังลงสู่รากลึกของยาณปัญญาได้แล้วเนี่ยถ้าได้สัมผัสปัญญาได้แล้วยมจะมีความสุขที่ละเอียดมากถ้าศรัทธานั้นไปเกื้อกูลความเพียรเกิดความเกล้ากล้าเกื้อกูลสติระลึกได้สมาธิคือความตั้งมั่นปัญญาคือรู้และเข้าใจนะ ถ้าได้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บโยมจะมีความสุขมากและในความสุขแต่ละดับนี้เขาเรียกสมาธิหนึ่งศีลสุขก็ได้ไหมการบวชการออกจากกามเขาเรียกเนคข ม, มัสุขสุขจากการออกจากกามโยมเคยมีไหมใจที่น้อมออกจากกามน้อมออกจากอ ก, กุศล น, น้อมออกจากบาปมีความสุขในะตอนนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเนคข ม, มัสุขอย่างนักบวชเนี่ยทําไมเขาต้งมาบวชกันเพราะมีความสุขนะมีความสุขแต่อตอนนี้นักบวชไม่ค่อยสุขเลย เหนักบวชเนี่ยก็มีความสุขสุขจากการที่น้อมออกจากการมถามว่าในสามัญญพลสูตรเนี่ยพระเจ้าชาตชาติสตูถามพระพุทธเจ้าบอกว่าอา น, นิสงส์ของการบวชที่ประจักษ์แจ้งชัดนะปัจจุบันที่พอจะให้เห็นได้มีไหมพระเจ้าบอกมีอ่ะข้อแรกข้อแรกอา น, นิสงส์การบวชข้อแรกหนึ่งข้อแรกก็คือการบวชมาเนี่ย ไม่ต้องเป็นขี้ฆ่าไทยไม่ต้องเป็นลูกน้องไทยใช่ไหมลอเนี่ยอ๋อแต่ก่อนเราเป็นลูกน้องคนที่เป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกทั้งหลายโอ้ยโดนกดขี่กันแย่ๆหมดเลยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างแม้แต่อยู่ในประเทศอะไรก็ต้องยอมเป็นลูกน้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนในประเทศนั้นๆก็ว่ากันไปตามลำดับใช่ไหแต่พอบวชปุ๊บหลุดเลยนะ ไม่ต้องเป็นที่ฆ่าใครอีกแล้วนับตั้งแต่วันวินาทีนั้นเป็นต้นไปเพราะอะไรสมมาณเเชื้อสายสากยาบุตรพุทธชิโนโอรสเนี่ยไม่รับใช้ใครเป็นคนที่มีอิสระเสรีภาพนี่นได้ได้ความสุขแล้วจากเครื่องพันธนาการไม่ต้องเป็นลูกน้องใครประการที่สองอาอนิสงส์การบวชข้อที่สองคือ ไม่ต้องจ่ายภาษีอยาก่อนีนะ่โบราณเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ปัจจุบันนะปัจจุบันคนอะเรื่องแล้วเพราะว่านักบวชไม่มีอาชีพไงนะไม่ต้องไปทำมาให้กินไม่ต้องมีเงินทองใช่ไหมไม่มีทรัพย์ <Agre ed. S 1> ก็เลยไม่ต้องไปจ่ายภาษียาก่อนนี่วิธีกองนักบวชจริงๆเป็นแบบนี้นะไม่ต้องไปจ่ายภาษียาก่อนไม่ต้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าแะไรต่างๆหรอกแต่ก่อนจริงๆก็โยมดูแลไปวัดวารามอยากดูก็ดูอยากไม่อยากดูพาเข้าไปแล้วนักบวชเป็นอย่างนั้นน่ง แต่ปัจจุบันนี้ถ้าออกจากวัดยอมยึดวัด <c oughs> สบายแล้วเสร็จแล้วอยากไม่อยู่ดีกันนะใช่ไหมแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนักบวชเนี่ยยอมก็โออยากง้อง้อทําที่อยู่อาศัยก็ปราถนาคนมีศีลคนมีกัญยาธรร ม, มาใช่ไหมล่ะพอมาแล้วได้ดูแลกุศลเกิดแล้วได้ปัญญาด้วยท <c oughs> ่านมีปัญญาอย่างเห็นด้วยเ <c oughs> นี่ยไอ้สงการบวชข้อที่สองคือไม่ต้องจ่ายภาษีา ก, ก่อนไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครอง อย่างพวกเราต้องจ่ายใช่ไหมภาษีบ้านภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนโอ้โหเยอะเลยไหมนะเยอะไหมต้องจ่ายเลยเครียดไหมจ่ายภาษีเครียดไหมยอมจ่ายภาษีแต่ละครั้งยอมตื่นเต้นไหมว่าได้เจริญทานกุศลตื่นเต้นไหมโอ้โหทําไมเดือนนี้กับปีนี้ก็จ่ายน้อยยังน่าจะจ่ายมากกว่านี้ คิดอย่างนี้ทุกครั้งเลยไหมโอ้โหเมื่อไรจะถึงสักทีนะอยากจะไปจ่ายเป็นทานกุศลไหมถ้าคิดแบบนีเน้เป็นไหมเป็นไม่เป็นเงินภาษาก่อน้าไปทำอะไรเอาไปทําอะไรอะ่ะเป็นทานกุศลนะถ้าคิดเป็นทานกุศลได้ดีไหมล่ะงั้นคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดกันหรือยงังคิดเซ่เดี๋ยวนี้ ไปย้อนกลับมาเอามาวิจัยคิดให้หมดโอ้โหเราได้จ่ายเราได้ให้ทานแต่รัฐเขาไปบอกว่าเป็นภาษีรถยนต์แท้จริงเป็นทานกุศลของเราใช่ไหมภาษีที่ดินภาษาีโรงเรือนเนื้อข้าวแหวกเนี่ยไปซื้อหนึ่งร้อยบาทเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรก็แล้วแต่เจ็ดบาทที่เข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นแปดเป็นเก้าแล้วเนี่ย โอ้โหเป็นบุญแล้วเกินน่าจะขึ้นสักสิบห้าอะไรเงี้ยเนี่ยจะไหมร้อยบาทนี่สิบห้ามันน่าจะโอ้โหไปทาบุญน้อยแล้วเกินเราก็ใกล้จะตายแล้วอ่าจจะคิดอย่างนี้เป็นกุศลไหมฉะนั้นฝะึกคิดแบบนี้ได้ไหมเราเราไปเห็นถนนถนนทางไปเห็นไฟสาธารณะสวนสาธารณะเห็นสะพานเห็นสถ า, านที่ทั้งหลายเหล่านี้เห็นโรงพยาบาลทั้งหลาย คนเข้าไปรักษาโอ้โหนี่มันทานกุศลของเราเชื่นมใจไหมล่ะอะไรจริงไหมเกี่ยวกับโรงเรียนเลยสถานที่เลยสง่งเคาะคนพิการก็ดีคนเจ็บป่วยที่ต่างๆเหล่านี้ไฟสาธรารณะสวนสาธรารณะถนนหนทางประปาอะไรทั้งหลายเหล่านี้พอมองไปแล้วโอ้โหทานกุศลของเราออกดอกออกผลดีเนาะเชื่อใจไหม เห็นถนนทีไรป๊บนี่กำลังทานกุศลเกิดได้ยังโอ้โหปีนี้เราจ่ายน้อยไปขอใจามากกว่านี้หน่อยได้ไหมตื่นเต้นเนี่ยฉันคิดยังตื่นเต้นเลยเราเราไม่ตื่นเต้นบ้างเลยเลยไปไประท้วงกันหน่อยปะบอกช่วยเก็บภาษีให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมรู้สึกทําบุญยังไม่อิ่มใจเลยถ้าอย่างเงี้ยเขา อย่างนี้ภาคล้านก็ตกใจเลยนะโอ้โหเป็นไปได้ไงชาวลพบุรีนี่ <c oughs> เขามีแต่ประทวงวันนุ้นแพงอันนี้แพงอันนี้ประทวงขอยขึ้นค่าภาษี <c oughs> บอกขึ้นแค่เจ็ดนี่ไม่ไ ม, ไม่พอใจเลยอยากให้ขึ้นสักสิบเปอร์เซ็นะมาณนี้ดีไหม <c oughs> กลับมาก็โอ้หนั่งชื่นใจเลยดีไหม <c oughs> จริงจริงตรงนี้ถ้าคิดเป็นดานกศรรุศลมันคิดได้จริงๆเข้าใจไหมแต่ถ้าคิดว่า โอโหมันทําไมแพงเหลือเกินค่าไฟก็แพงค่าน้ําก็แพงถนะ้คิดอย่างเงี้นะมันไม่เป็นทานกุศลนะเขย่าอย่างถ้าเป็นทานกุศลมันมีหนึ่งจิตที่คิดจะให้ใช่ไหมกิตทีค่คิดจะสละเป็นอย่างนั้นแต่มันจริงๆเนี่ยควรจะบอกกันว่าเออจริงๆมันเป็นทานกุศลจริงๆใช่ไหมเวลาเราไปทําบุญเราเสียดายไหมแต่เวลาจ่ายภาษี พอเราไม่คิดว่าเป็นทานกนุศลถ้าคิดว่าเป็นทานกุศลเสียด้ไหมไม่เสียดายฉะนั้นจ่ายกันได้ยังฮะอะไรนะญญแล้วเราจะไปทำอะไรเขา แล้วก็มองในส่วนที่ดีๆสินะมองในส่วนที่ดีๆเมื่อเรามองในสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคิดในสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นกุศลแก่ใจแล้วเอาสรุปแล้วก็คือว่าเนี่ยความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงใช่ไหมเข้าใจยังฉะนั้นยินดีในศีลยินดีในสมาธิอย่างกรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวอนิสงฆ์เนคขมมะเนี่ย ประการต่อมาก็คือความสุขใช่ไหมเช่นความยินดีในศีลการที่เราเจริญในศีลกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดกายวาจาใจสะอาดในขณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุศลศีลแล้วก็การมีสติสัมปชัญญะในการปิดบาปทางทวารทั้งหกเข็นก็บาปไม่เกิดเยหเวลามองแต่ละครั้งแล้วสติสัมปชัญญะเกิดปุ๊บก็ปิดบาปทางทวารตาได้ ปิดบาปทางทวารหูได้เพราะได้ยินเสียงเนี่ยนะไม่ให้บาปไหลเข้าเลยไม่ให้ราคาโทรศัพโมหะไหลเข้าปิดบาปทางทวารจมูกปิดบาปทางทวารลิ้นปิดบาปทางทวารกายปิดบาปทางทวารใจจะกินอาหารแต่ครั้งปุ๊บโอ้โหสติสัมปชัญญะเกิดความสุขมันก็เกิดเห็นไหมเนี่ยเป็นยินดีในธรรมะยินดีในสติในสัมปชัญญะ ในการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคียวริมถ่ายจะะริญปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดหนี้โอ้ยนี่มีสติ ก, กำกับอยู่กับตัวจะมีความสุขมากเนี่ยความยินดีในธรรมะนี่ชนะความยินดีทั้งปวงอย่างนี้ถ้าได้สมาธิอีกแต่เนี้ยฝึกจนจิตเป็นสมาธิสามารถข่มนิวรธรรมได้การมัฉันทะความกำหนัดไม่กุ่มรุมพยาบาทไม่กุ่มรุมความหดหู่ท้อถอยไม่กุ่มรุมในใจ แล้วก็ความฟุ้งซ่านลำคาญใจก็ไม่กุ้มรุมในใจตลอดถึงความลังเลสงสัยไม like ่เกาะกลุมจิตอยู่ตอนนั้นจิตดิ่งเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสุขไหมโอ้โหความสุขหลายระดับด้วยนะเขาเรียกปฐมฌานสุขเนี่สุขในระดับปฐมฌานทุติยฌานสุขก็สุขในทุติยฌานตาติฌานสุขก็คือเจตวัติฌานสุขสุขในระดับปฐมฌานทุติยฌานตาติฌานจตวัติฌาน สูงไปกว่า น, นั้นอีกเขาเรียกอากาสารนัญญาญตนะสุขโอ้โหสุขเย็นอรูปฌานเลยทีเนี้ยอากินจัญญายาตนะสุขวิญญ า, ายยณัญญาญตนะสุขอากินจัญญาญตนะสุขและเนวะสัญญาณสัญญายาตนะ ส, สุขสุขในระดับสมาบัตแปดเลยเนอะอวิปัสนามีปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงโอ้โหไปเห็นธรรมชาติเห็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายด้วย เห็นธรรมชาติเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎธรรมดามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลโปรในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดเพราะไปเห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมาไอ้ตัวกําลังของวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นสุขไหมก็เราวิปัสสนาสุขเห็นความจริงเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจที่เราอยากนะ mm. เขาก็เป็นของเขาอย่างเนี้ยอากาศเย็นอากาศร้อนฝนตกฟ้าร้อนแดดออกเนี่ยนะ ตลอดถึงคนนั้นดีไม่ดีทั้งหลายโอ้สรรพสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างเนี้ยแล้วก็วางท่าทีทางใจได้ปัญญาเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงนี้วิปัสสนาสุขมันเกิดขึ้นเห็นอันนี้จังความไม่เที่ยงเห็นทุกขังความเป็นทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นเห็นอนัตตาความเป็นไปตามเหตุปัจจัยวางท่าทีทางใจได้พบเลยเดี๋นี้เป็นสุขไหมเป็นวิปัสสนาสุขถอนอัตตาตัวตนได้ถอนกิเลสได้ละกิเลสได้ เข้าถึงบรมสุขคือพันิพานก็กลายเป็นนิพพานสุขเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่ามันสุขทุกขั้นตอนเลยเลยเนี้ในพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าให้เห็นทุกข์แต่ใจมีสุขเออเป็นอย่างงี้นะเห็นทุกข์แล้วใจมีใจมีความสุขแต่เราไปวางท่าทีผิดนี่เราเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเห็นความทุกข์ทีไรใจยิ่งบวกทุกข์เข้าไปอีกโอ้โหใช่ไหม พวกเราเนี่ยเป็นพวกชอบดูดเอาความทุกข์มาไว้ในใจเราเวลาเห็นทุกข์ปุ๊บก็กใจไปรับพอรับเสร็จไม่พอแล้วดึงทุกข์มาใส่ไว้ในใจคนแล้วก็ปรุงแต่งทุกข์ต่อไอคนนั้นเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยใช้ไม่ได้อย่างนี้มันต้องคบกันไม่ได้ไปใหญ่เลยไหมเดี๋ยวนี้ปรุงแต่งทุกข์พวกเราเป็นคนมีความสามารถไหมสามารถอะไรสามารถปรุงแต่งทุกข์ แต่ไม่มีความสามารถปรงแต่งอะไรไม่มีความสามารถปรงแต่งสุขมีมนุษย์เท่านั้นแหละทำได้สุนัขทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้เวลาเกิดภรรยาเขาตายเขาฆ่าตัวตายตามภรรยาไม่สุนัขเคยได้ยินข่าวสุนัขไปกระโดดสะพานตายไหมเคยได้ยินไหมเพราะอะไรอ่ะ เ้าเคยเครียดไหมโอโหวันนี้ไปหาอาหารที่ตลาดสดก็มีคนตีฉันมาแล้วก็มานอนงอยต่อไปฉันไม่ไปหากินอีกแล้วทุกเครียดกลุ่มมีไหมสนะคิดอย่างนี้มีไหมถ้าเป็นคนมีนะเอ๊สแสดงว่ามนุษย์เป็นคนใช้ความสามารถไปในทางที่ผิดได้เก่งใช่ไหมมนุษย์เนี่ยถ้ากลับไปที่บ้านสามีด่าเขาด่าแค่คาเดียวด่าคาเดียวเนี่ย ต่อไปอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปเขาด่าแกมีทุกไหมทุกไหมทุกไหมเอาโลกด่าแก่แล้วทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นความจริงนี่แหละที่จริงน่าจะเชื่นใจใช่ไหมเพราะโลกด่าว่าแก่แล้วเออเขเห็นความจริงคนนี้โอ้ขอบใจเหลือเกินมาบอกเราแก่เข า, าแสดงว่าเขาเห็นความจริงใช่ไหม แกแล้วเลอะเลือนแม่เนี่ยแล้วก็มานั่งพิจรารณาโอ้โหชื่นใจจริงเลยโอ้นี่ทำให้เราได้คิดเราแก่เราเลอะเลือนจริงๆโอ้โอความจริงปรากฏแล้วชื่นใจน้ำตาไหลปิติเกิดเป็นไหมหรือน้าตาไหลร้ลองไห้ไม่น่าว่าเรา ภาคบังคับเลยอยอมบังคับให้กินน้ำเห็นไห ม, วมความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงให้ยอมยินดีในศีลยินดีในสมาธิยินดีในปัญญา ยินดีในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายินดีอย่างเนี้ยจะชนะความยินดีทั้งปวงเพราะยินดีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทําให้ยอมขวนขวายดําเนินชีวิตของตนเองเพื่อไปสู่ความหลุดพน้นแล้วพ้นจากเกลืลอนละกองทุกข์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราเราไปยินดีอย่างอื่นไปยินดีบุตรแล้วก็สแสวงหาบุตรที่ยินดีภรรยาก็สแสวงหาภรรยาใช่ไหม ยินดีสามีก็แสวงหาสามียินดีทรัพย์ก็แสวงหาทรัพย์จริงไหมจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าไปยินดีบุตรยินดีภรรยายินดีสามียินดีซั์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยยินดีเกียรติยศชื่อเสียงเขาเรียกยินดีในทุกเขาเรียกยินดีในทุกก็ยินดีในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสังสารวัตมันก็เลยหมุนไม่จบเข้าใจไหงเพราะเราไปตั้งความยินดีไว้ผิดพลาดแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ อ่ะพอเราพะเราแก่อย่างนี้แล้วเรากลับไปยินดียังไงอยากจะกลับไปเป็นเด็กเคยเป็นไหมอ่ะจริงจริงอยากอยากกลับไปเป็นเด็กไหมไม่จริงมั้งไม่ใช่ไหมยอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเดิมไหมเนี่ยไ อ, อความไปยินดีอย่างนี้เขาเลยยินดีผิดเขาอะอย่างไปไปยินดีทุกได้ยังไงใช่ไหมล่ะ ไปยินดีในความเกิดยินดีในความแก่ยินดีในความเจ็บยินดีในความตายยินดีในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกว่ายินดีในทุกเมื่อยินดีในทุกจะพ้นจากทุกได้ไหมไม่ได้เลยยินดีเพิดอเพิ่นในอะไรมันก็จมอยู่ในสิ่งนั้นเออเป็นอย่างนี้วันก่อนไปเจอยอมคนหนึ่งก็ดูแลคนแก่เาบอกโอ้โ oh, ห oh, ลำคาญมาก บอกให้กินบอกให้นอนก็ยาก <c oughs> เออเขาพูดอย่างเงี้ยนก็นตกใจเลยนะึโอ้โหเขาทํำไมเป็นคนใจร้ายยางจะ่นดกัอนอย่างงี้เนีเย่ยยอมเลี้ยงด้เลี้ยงพ่อแม่ไหมเนมี่ยบ่นไหมพ่อพ่อแม่บอกให้กินแล้วท่านก็ไม่กินบอกให้นอนก็ไม่นอนบอกให้กินยาก็ไม่กินบอกให้กินอาหารงี้ก็จะกินอีกอย่างยอมเครียดไหม ทำไมไปเครียดทำไมทำไมต้งยอมไปเครียดไปเครียดอะไรแก่แก่โอ้โแล้วจริงๆมันจะหายจริงหรือแล้วหมอทําไมตายล่ะเข้าใจไหม หมอก็แก่แล้วหมอก็บอกยากๆลองสังเกตดิฉันเห็นหมอป่วยหลายคนแล้วโคตรบอกยากเลยจ <c oughs> <c oughs> มาโดยมากเป็นอย่างนั้นแหละคืออย่างนี้เวลาเราอยู่กับคนแก่เออเวลายอมยอมเครเลี้ยงเด็กไหมเด็กเล็กๆเน่ยเอาอาหารให้กินคํานึงมันก็วิ่งไปแล้วถามว่าจริงๆเด็กคนเนี้ยบอกยากไหม แล้วเด็กเวลาถ่ายจะรัปัสสาวะออกมาเราเราเราเราเครียดไหมเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเด็กถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเครียดมั institute> ้ยโอโกรธมั <S 2> <S 2> ้ยมันปัสสาวะออกมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้านุ่งตลอดเวลาเนี่ยโกรธไหมถ้าเลี้ยงพ่อพ่อเดี๋ยวก็ปัสสาวะเวาเลยดี๋ยวก็ถ่ายเอาแ้วโกรธไหมโกรธหมทำไมเป็นอยางงั้นล่ะ ไอเด็กคนนั้นทำไมเราไม่โกรธล่ะตอนเราเป็นไอเด็กเล็กๆคนนั้นน่ะพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาทำปัสสาวะถ่ายจะลากมาจับโยนทิ้งเราตายไหมเนี่ยไม่เหลือเพราะพอ่อแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงใช่ไหมละ่ะไอเด็กคนนั้นน่ะแล้วก็เลี้ยงโคขอไฟเลี้ยงยากมากเวลาให้กินอาหารกินคำเดียวมันวิ่งหนีไปแล้วต้องเรียกมาเรียกมาสรารพัดหมดแหละ คุยก็ไม่รู้เรื่องไอเด็กคนนั้นน่ะแต่โลกไม่แต่พ่อไม่เคยเครียดเลยนะไม่เคยโกรธเลยนะบางทีสารพัดหมดอ้อมอยู่มันจะอยากจะทำอะไรพ่อก็ได้บางทีเอาขอไผในะใช้เท้าถีบหน้าพ่อก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยดีใจอ่าถ้าหากว่าเราไปเลี้ยงตอนนี้ไปดูแลพ่อที่แก่แม่ที่แก่วันดีคืนดีเขาเท้าถีบหน้าเราเครียดกินไห เราจะโอ้ชื่นใจเหมือนไอเด็กคนนั้นน่ยที่ถีบหน้าพ่อแล้วพ่อดีใจอะ่ะจริงๆมันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโดยข้อเท็จจริงทําไมเราไม่วางท่าทีทางใจมันถูกเด็กกับผู้ใหญ่ต่างอะไรกันก็อันเดียวกันนั่นแหละเด็กถ่ายอุจจาระผู้ใหญ่ถ่ายอุจจาระเด็กอ้วกผู้ใหญ่อ้วกเด็กเด็กงองแงผู้ใหญ่งองแงเด็กไม่กินอาหารผู้ใหญ่ไม่กินอาหารก็คนเดียวกันนั่นแหละโย คนเดียวกันนั่นแหละก็รักสิก็เมตตาสิก็ดูนาสิก็ดูแลสิเข้าใจยัง่ะให้สังเกตตัวนะว่าเราเนี่ยเลี้ยงเด็กเนี่ยเราไม่เอาความต้องการของเราไปกำกับทุกเรื่องและพอใจกับเขาที่เขาเป็นแบบนั้นเราพอใจเขาแล้วปรารถนาว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาเป็นเด็กยอมก็คิดอย่างเดียวกันนั่นแหละ เขาเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องหรอกก็ เ, เหมือนยอมเริ่มเป็นผู้ใหญ่กันเนี่ยเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องกันเดียวกันจช่ไหมล่ะโอ้แต่ฉันมาพูดนะนั้นพูดไปทุกอย่างยอมจะต้องจําให้ได้ถ้าจําไม่ได้ฉันจะเครียดยอมมาฉันวางท่าทีทางใจผิดหรือถูกเพราะจริงๆอ่ะยอมจําได้ไหมฉันวางใจมาตั้งแต่อยู่ที่วัดแล้วฉันวางใจมาตั้งแต่อยู่ที่วัดแล้วฉันมาพูดเนี่ยพูดไปเธอ ฉันพูดทานะบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มาปัญญาเวทียาขันติสจัติฐานเมตตาบุเอขาบา ร, รมีอยอมทวนสิอะไรอยอมฉันจําได้แค่ทานแค่นั้ น, นีฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมฉันจะฉันก็เออได้แค่นี้แต่ยังไงยอมได้ฟังแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวยอมก็ค่อยๆเรียนรู้ไปฉันก็หวังแค่นี้เอง แต่ถ้ายอมไม่ได้เรียนรู้เลยไม่สนใจเลยฉันมาฟังเ ล, เล่นๆไปงั้นกลับไปฉันไม่สนใจทางเธอในชังหวนเถอะอะฉันจะโกรธไหมกลับไปฉันไปชอกอกชอกตัวเองใหญ่ทําไมยอมไม่ได้เรื่องเลยทําไมจาไม่จําเครียดกินหนั่งหงอกนั่งงอเลยฉันวางท่าทีทางใจถูกไหมฉันก็บอกเออก็วางก็ธรรมดายมก็เป็นโยมแบบนี้ใช่ไหมฉันเข้าใจความจริงไงยอมมีพฤติกรรมอย่างไรฉันก็เข้าใจพฤติกรรมของโยม ยมมีสภาพจิตใจอย่างไรฉันก็เข้าใจยมมีทัศนคความเห็นอย่างไรฉันก็มีความเข้าใจแต่ว่าฉันมาให้มุมมองคําสอนของพุทธเจ้าให้สังเกตดูไหมฉันมาอ้างนี่เป็นคําสอนพรุทธเจ้านะถ้าไปบอกนี่เป็นคําสอนของฉันเนะเป็นคําสั่งยอมยิ่งไม่เอาใหญ่เลยใช่ไหมบอกพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามฝึกตามแล้วเนี่ยเราจะสามารถพ้นจากกิเลสและวองทุกข์ได้ฉันบอกเลยก็เหมือนฉันเป็นคนบอกทางใช่ไหม มีคนคนหนึ่งเขาชำนาญในการบอกทางมากบอกอบอกอย่างละเอียดเลยทุกขั้นตอนบอกหมดอีกคนนึงก็มาฟังฟังเสร็จเขาก็เดินเขาก็ขับรถไปตามทางที่บอกแต่เขาขับผิดทางไอ้คนบอกต้องเครียดไหมเครียดไม่เครยดนะอยู่ตรงที่ว่าเราได้บอกเต็มที่หรือยังฉันฉันคิดตัวเองแบบนั้ น, นมาบอกทางเนี่ยฉันมันนาเสนอมาบอกเมื่อบอกเสร็จแล้ว อาจจะมีคนเดินถูกทางบ้างผิดทางบ้างเป็นเรื่องปกติไหมฉะนั้นถ้าจะอยากเป็นคนบอกทางก็เหมือนกันในกรณีที่เราไปดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็วางท่าทีทางใจให้เป็นแล้วก็อย่าไปควบคุมพฤติกรรมแกกระบวนการความคิดแกทั้งหมดถ้าเราปรารถนาอยากให้แกเป็นอย่างไรก็วางท่าทีทางใจถ้าบอกแล้วแกไม่ทําก็ไม่เป็นไรเช่นพ่อ ตื่นขึ้นมาต้องกินน้ำสามแก้วนะพ่อนะหมอบอกก็ก็ก็ไม่หิวอะ่ะก็บอกพ่อไม่เป็นไรนะนี่น้ำสามแก้วหมอบอกว่าถ้าอยากให้คุณภาพชีวิตดีพ่อก็กินนะหรือพ่อจะไม่กินก็ได้แต่ชั้นในฐานะเป็นลูกก็ทําหน้าที่ตรงนี้นะอยากให้พ่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถ้าพ่อไม่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีฉันก็ไม่ว่าอะไรพ่ออยากตายเร็วก็ได้อยากจะอยู่นานก็ได้ พูดอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมอยากตายเร็วก็ได้อยากอยู่นานก็ได้แต่ฉันอยากให้พ่ออยู่นานนะแต่ถ้าพ่ออยากจะตายเร็วก็ไม่ว่าชีวิตก็เป็นของพ่อก็ไดแต่แต่หนูรักพ่อนะบอกอา้าวเคยเคยพูดกับพ่อแบบนี้ไหมหนูอยากให้พ่ออยู่นานนั่นแหละแต่ว่าถ้าพ่อบอกว่ามันน่าเบื่อเหลือเกินไม่อยากจะอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็พยายามจะดูแลเต็มที่ นี่นะพ่อนะนี่อาหารที่หมอบอกให้ทานแบบนี้อันนี้อาหารที่พ่ออยากจะกินแต่มันไม่ถูกสุขลักษณะหรอกแต่นู้ดทำสองอย่างให้พ่อได้มีทางเลือกพ่ออยากอยู่นานก็กินอาหารอย่างเนี้ยที่มันไม่อร่อยไม่ได้เรื่องนี่แหละแต่ว่ามีคุณภาพถ้าอยากไม่อยากอยู่นานก็กินอาหารที่อร่อยที่มีรสชาติเค็มๆมันๆเยอะๆนี่แหละพ่อที่พ่อชอบกินนี่แหละ แต่ใจหนูเนะี่ยหนูก็อยากให้พ่ออยู่นานนะหนูรักพ่อที่แหละแต่หนูไม่ไม่ห้ามพ่อหรอกบอกว่าถ้าทาอย่างนี้จะได้อะไรทำอย่างนี้จะได้อะไ ร, ะไะไรพ่อบอกเสร็จปุ๊บก็เราก็ชื่นใจไหมตอนเนี้ยใครเคยดูแลพ่อแม่อย่างนี้บ้างอะ่ะพูดไม่รู้เรื่องไปหาหมอมาแล้วหมอบอกให้มียังกินอย่างนี้ก็แอ บ, บกินเบื่อเหลือเกินไม่อยากจะดูแล้อะไรเงี้ย เคยพูดอย่างนี้กับพ่อแม่ไหเป็นการดูแลพ่อแม่ถูกหรือผิดจริงๆไม่เห็นดูแลยากเลยใช่ไหมทำไมเราจะต้องให้พ่อเป็นอย่างใจเราด้วยแม่เป็นอย่างใจเราด้วยลูกเป็นอย่างใจเราด้วยเรามีหน้าที่บอกเขตบอกผลเขาเมื่อเขาไม่ทำก็ปล่อยเขาหลักการมีแค่นี้แหละทาได้ไหมเล่าก็เหมือนกรณีที่ฉันมาบอกยอมเนี่ยยอมนะ ยอมอยากจะมีความสุขกับการดําเนินชีวิตตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายมตั้งท่าทีทางใจอย่างนี้นะยอมไปลิกถึงมุรเจ้าสวดมนต์อย่างนี้เจริญกุศลอย่างนี้เบียเศษแต่ถ้ายอมไม่อยากก็ไม่ต้องทํำยอมก็ดูหนังฟังเพลงเที่ยวเต่อย่างที่ยมเป็นเงี้ยเขาชวนลําที่ไหนไปที่นั่นนั่นไหมเสพาที่ไหนก็ไปที่นั่นดีศรีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่นขับร้องที่ไหนก็ไปที่นั่น สนุกสนานที่ไหนยอมก็ไปที่นั่นก็เรื่องของยอมนะยอมจะไปอย่างนั้นก็ได้แต่ไปอย่างนั้นแล้วบาปอกุศลมันจะเกิดยังไงยังไงใช่ไหมแต่ถ้ายอมดําเนินชีวิตแบบนี้แล้วจะได้กุศลอย่างไงเนี่ยบอกให้เลือกแบบเนี้ยยอมก็มีอิสระเสรีภาพที่ยอมจะเป็นขยายอย่างพออยู่ต่อมาได้ข่าวยอมไปกินเหล้าแล้ ว, ลวฉันเป็นนั่งเครียดโอ้โหยมพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยบอกงี้ก็ไม่ฟังะฉันเป็นอย่างนั้นฉันฉันผิดเองไหม เห็ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราเป็นผู้นําเสนอก็นําเสนอไปนี่เหมือนกันความยินดีเนี่ยถ้ายอมอยากประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตยอมก็จงไปยินดีในบุตรยินดีในภรรยายินดีในสามียินดีในทรัพย์นะยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ใช้ชีวิตทั้งหมดในทุ่มเทไปกับเรื่องนั้นเลยอย่ามายินดีในศีลสมาธิปัญญาแล้วยอมก็จะจมอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จมอยู่ในสังสารวัฏ แต่อยอมบอกโอ้ยไม่ไหวแล้ววะอย่างนี้ไม่อยากจะจมอยู่ในเกิดแก่เจ็บตายแล้วอยากจะมาออกจากเกิดแก่เจ็บตายที่ยอมก็มายินดีในศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ยินดียอมไม่อยากไปปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะเขาจะยังนี่ประการที่สาประการที่สุดที่สี่ก็คือว่าความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงอ้าวแต่ยอมอยากจะหมดทุกอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุก ไอ้กรียนการทํางานเนี่ยนะมันมีแรงจูงใจอยู่สามแรงนะหนึ่งแรงจูงใจด้วยตัณหาสองแรงจูงใจแบบมานะสามแรงจูงใจแบบฉันทะ <c oughs> ไม่รู้จะจบวะเนี่ยสามเอามาตั้งแค่สามประเด็นก่อนนะในการดําเนินชีวิตเนี่ยเอาแรงจูงใจแบบตัณหาในเวลาทํางานเนี่ยด้วยตัณหามั น, เ ป, นเป็นยังไงลักษณะของตัณหามีความอยากได้ใช่ไหมอยากเอา อยากได้สีที่สวยๆเสยียงที่เพ้อๆยมอยากได้สีสวยๆไหมอยากได้เสียงที่เพาะๆไหมอยากได้กลิ่นหอมๆไหมอยากได้รสที่อร่อยอร่อยยากได้สัมผัสที่นิ่มนวลอยากได้สีเสียงกลิ่นรสผดผพาทั้งหลายเนี่ยเอามาตอบสนองบาบบําเลออัตราตัวตนของเราให้อัตราตัวตนของเราได้ตอบสนองได้รับความสุขอย่างที่เราหวังเราคาด แล้วเขาพยายามกอดรัดพัดเหวียงให้ความสุขนั้นมันอยู่กับเราให้นานที่สุดไม่อยากมันหนีเราไปเลยเวาลาเกิดความอยากความต้องการมันแสวงหาไหมมนุษย์ก็แสวงหาใช่ไหมเราอยากได้อย่างเมื่อเราไปทํางานเนี่ยเราอยากจะได้เงินเยอะๆออยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะได้อยากจะได้บ้านอยากจะได้ทรพัพอยากจะได้เงินโอ้โหทําใหญ่เลยมนุษยมันมันเอาความอยากเป็นตัวตั้งแล้วงะ ไปทางานใช่ไหมแต่อยากได้เงินมันคนละอยากคนละคนละจุดมุ่งหมายกันเลยนะเนี่ยที่ฉันไปทํางานฉันอยากได้เงินฉันเอาความสุขของฉันไปไว้กับเงินเนี่ยความสุขของฉันไปไว้กับทรัพย์ถ้าฉันได้สิ่งเสพเยอะๆฉันจะมีความสุขมากที่สุดมันต่างความรู้สึกอย่างนี้นะมนุษย์เนี่ยเออถ้าได้วัตถุสิ่งเสพมากๆได้บ้านมากๆได้รถมากๆได้สิ่งเสพมากๆได้เกียรติ ได้สิ่งของที่มาบุมเลิมมากที่สุดท่านจะได้สุขมากที่สุดโอ้โหถ้าวัดกันอย่างเงี้ยไอ้เจ้าของซีพีมันต้องสุขมากกว่าเราสิใช่ไหมเยอะมันต้องสุขมากกว่าเราเนี่ยเนี่ยไอ้คุณคุณเจริญเนี่ยเบียช้างเนี่ยใช่ไหมมันต้องสุขมากกว่าเราเพราะเขาได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเงินมากองกองต่ดหน้าเขาเนี่ยวันวันละสองร้อยล้านสามร้อยล้านเนี่ยฟรีๆเนะี่ยมากองเนี่ยดอกผลกําไรเนี่ย ทุกวันทุกวันแสดงเขาต้องสุขมากกว่าเราสิใช่ไหมเพราะเขาได้เงินนี่เราก็คิดว่าเขาสุขใช่ไ้ยเราคิดว่าคนเนี่ยถ้าได้เงินแล้วมันจะมีความสุขไงนี่คือคือมีแรงจูงใจด้วยตัณหาเป็นตัวเป็นตัวผลักดันใช่ไหแล่ะเหมือนที่เราเคยคิดนะ่ะเดี๋ยวได้บ้านแล้วเราจะมีความสุขสมัยตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วเรียนจบฉันจะมีความสุข เดจบปอหกจะมีความสุขจบมอหกจะมีความสุขจะปริญญาจะมีความสุขได้งานทําจะมีความสุขมีครอบครัวจะมีความสุขมีลูกจะมีความสุขลูกเข้าโรงเรียนจะมีความสุคลูกเรียนจบจะมีความสุขลูกแต่งงานจะมีความสุขมันตั้งมันอย่างนี้นะตั้งไปเรื่อยๆๆๆๆๆนะข้าวนะข้าวคนแก่คนนั้นก็นั่งเพ้อหาความสุขตลอดไม่เคยสุขได้จริงสักทีเลยเพราะมันวิ่งตลอดมันเดี๋ยวไปได้กันนี้แป๊บนึงนะข้าวนะข้าวมันเบื่อเซ็งเลย ใช่ไหมเอาไปแต่งงานมีความสุขไม่มีความสุขวันไหนบางคนไม่รู้แต่งงานฉันไม่เคยแต่งสุขวันไหนสุขวันเดียวกใช่ไหมต่อไปสุขไหมเนี่ยนักข้าวนักข้าวมันก็เอ๊ะมันมองหน้ากันทุกวันจะไม่เคยสวยแล้วจริงไหมไม่ดูรอยเนี่ยมองไปมองมาตั้หาก็เบื่อแล้วอยากได้อยากอยากอยากจะเปลี่ยนอารมณ์แล้วอยากจะเปลี่ยนสิ่งของอีกที นันตันหามันก็ต้องการไอ้สุขเวทนาเนี่ยต้องการสุขเวทนาต้องการสิ่งเสพมันก็เลยวัดกันวัดกันที่สิ่งเสพใครหาวัตถุสิ่งเสพมากก็เป็นเครื่องวัดเลยแต่นี้ไปไปมามันเดือดร้อนนะเนี่ยไอ้วิธีคิดแบบนี้นั่นเนี่ยคนนั่งในห้องประชุมเนี่ยตั้งห้าสิบก้าสคนเนี่ยนั่งในในห้องประชุมเนี่ยถ้าลองเอาความอยากของทุกคนนะบอกว่าให้ทุกคนสมอยากทั้งหมด โอ้โหโลกพังนะเนี่ยโลกใ บ, บนี้ไม่พอไม่พอเลยนะแค่แค่ห้าสิบคนเนี่ยไม่พอเลยนะที่อยากทั้งหมดแล้วมันจะต้องทำให้พอเราอยากได้มากเท่าไหร่อีกคนหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าอยากได้บ้านบางคนอยากได้รถบางคนอยากได้ที่ดินโอ้ฉันอยากจะมีที่ดินสักแสนไร่สมมติโอ้ไปยุ่งเลยงานเนี่ยยุ่งแล้วยุ่งแล้วใช่ไหมก็แย่งชิง ถ้แรงจูงใจตัวนี้ยแรงจูงใจด้วยตัณหาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าตัณหาในเวลาอยากเวลาต้องการขึ้นมาแล้วก็แสวงหากันมันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องตามธรรมชาติเท่าไหร่นะไม่ถูกต้องตามธรรมชาติก็หมายความว่าเราไปทํางานฉันต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินแล้วฉันถึงจะมีความสุขใช่ไหมฉันได้งานไอ้ฉันไปทํางานฉันต้องได้เงิน ทีนี้การทํางานเนี่ยกับการได้เงินมันคนละความหมายกันนะเช่นเอายอมเป็นพยาบาลเนี่ยฉันไปดูแลคนป่วยคือไปทํางานไปไปไปดูแลคนป่วยดูแลคนไข้คือเป็นหมอเนี่ยจุดหมายไปอยู่ตรงเงินเลยมันก็ยุ่งเลยตัวเนี้ยแท้ที่จริงงานเนี่ยมันบอกบอกความความหมายของมันในตัวแล้วว่างานพยาบาลคือการดูแลคนป่วย พยาบาลก็คือรักษาคนเจ็บป่วยให้เข้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยนะไอ้มันตรงกับงานโดยเฉพาะเออการทํางานแล้วงานนั้นมันได้ผลใช่ไหมมันพุ่งไปที่งานงานมันได้ผลไอ้คนทํางานมันต้องมีความสุขจากการที่งานมันได้ผลคนมันมีความสุขอย่างนี้สิแต่ไอ้เงินเนมันเป็นอะไรเป็นจุดหมายรองไม่ใช่จุดหมายหลักฉนั้นไปขายขนมเนี่ย จุดหมายก็คือได้ขนมมีขนมมีอาหารมาแล้วทำให้คนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้กินอาหารที่อร่อยอาหารที่มีรสชาติเขาจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีเขาจะมีความสุขเคตุกับผลมันตรงกันนะเนี่ยฉันตั้งใจทำอาหารอะไรที่มันมีของดีต่อสุขภาพร่างกายฉันต้องการให้คนเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี เขาจะได้มีความอายุยืนเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้มีกําลังเขาจะได้มีผิวพรรณงามและเขาจะได้มีสติปัญญาใช่ไหมเมื่อทําอาหารถ้าวางหลักอย่างนี้ปุ๊บมันไปที่จุดหมายของงานที่ชัดเจนและจุดหมายโดยตรงแล้วยิ่งเห็นคนเขากินอาหารเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีกําลังมีสติปัญญาโอ้โหความสุขมันยิ่งเพิ่มส่วนกติกาข้อตกลงกันว่าอาหารชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้มันจุดหมายลอง เราเลยได้ทั้งจุดหมายหลักและจุดหมายลองหนึ่งจุดหมายหลักในเป็นจุดหมายโดยตรงว่ามันได้ผลจุดหมายลองเป็นกฎเกณฑ์กติกาค่าตกลงร่วมกันว่าชิ้นนี้ห้าสิบบาทหกสิบบาทหรือร้อยหนึ่งก็ว่ากันไปอันนี้เป็นกติกาตกลงข้อตกลงร่วมกันโอเคนะตกลงเราก็เลยได้ทั้งสองจุดหมายแต่จุดหมายหลักน่แหละสาคัญที่สุดเหมือนกรณีที่เราไปดูแลคนไข้เนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดี เขามีอายุยืนเขามีความสุขเขามีกําลังเขามีผิวพรรณดีและเขามีสติปัญญาเขากลับไปก็ดูแลปู่ตายายายหลุบุตรหลานญาติมิตรเขาเขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีนี่จุดหมายหลักโอ้ยงานมันได้ผลค น, นเป็นสุขตรงนี้จุดหมายลองก็คือเดือนหนึ่งได้ค่าตอบแทน2องหมื่นก็ว่าไปถ้าเราไปเอาจุดหมายลองไปจุดหมายหลักจุดหมายหลักไปจุดหมายลองมันยุ่งเลยนะเช่นฉันทํางานต้องได้เงินโอ้โหไม่ได้สัทีเลยไปทําก็ไม่ได้เพราะมันเดือนหนึ่งถึงจะได้เงินครั้งหนึ่งลองคิดดูดิมันทุกข์ไหล่ะ มันต้องทุกข์อยู่ตั้งยี่สิบเก้าวันเนี่ยยองต้องเครียดต้องกรุ้มต้องทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละพอได้เงินมานิดหนึ่งก็โอ้มีความสุขอยู่วันนะ่เข้าแต่เข้าเงินหมดต้องทํางานต่ออีกแล้วทุกข์อยู่นั่นแหละเห็นไหมชีวิตมันจะนี่พอมีตัณหาเป็นแรงจูงใจเนี่ยตัณหาเนี่ยถ้าตัณหายิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากเพราะตัณหามันเร่งเร้ามันกระตุ้นเตือนทําให้มนุษย์มันทุกข์ตัณหาเป็นตัวสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์นี่ใช่ไหม โอ้มันทําให้ทุกข์ใจนะแต่ก่อนปั่นป่วนในใจทําให้เป็นทุกข์ทำให้เดือดร้อนทําให้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มโหยอยู่ตลอดเวลาเลยชีวิตเนะีอยากได้ตลอดเวลาเลยตื่นขึ้นมาไม่ได้มันอยากได้ตลอดแล้วเราก็เป็นทาสของมันตลอดถูกมันกํากับอยู่ตลอดเคยเป็นไหมล่ะเหมือนคนอยากถูกรางวัลที่หนึ่งมีคนคนหนึ่งนะแกบอกว่าแกเครียดมาก เวลาถึงวันที่สิบหกถึงวันที่สามสิบอะไรก็แล้วแนตะ่ไปอ่านข่าวแล้วมันเจอคนอื่นถูกแกก็โกรธแล้วก็เครียดว่าทําไมไม่เป็นแกแกบอกแกจะละได้งไงความรู้สึกยอมเป็นแบบนี้บ้างไหมนึกพอพอไปเห็นชื่อคนอื่นก็ถูกปุ๊บมันรู้สึกแวบในใจไหมนึกในใจแล้วทุกใจทําไมไม่เป็นเราน้อ no, เนี่ยเป็นไหม เป็นไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกลิศยาอย่างนี้ลิศยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันทนไม่ได้เข้าใจคําว่าลิศยาเรื่ยงเนี่ยลิศยาคือศัพท์เนี่ยมันมาจากคาว่าอิสสา อ, อิ ส, สาภาษาบาลีลิศยาเป็นภาษาไทยที่เ ร, เราเขียนกันลิศยา เห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันทนไม่ไหวเห็นคนอื่นสวยกว่าก็กลุ้มเห็นคนอื่นได้ตำแหน่งหน้าที่การงานกว่าก็กลุ้มอยู่เห็นคนอื่นค้าขายก็ได้กาไรมากกว่าก็ทุกเห็นเขาถูกระว่างนิหนึ่งก็ทุก <c oughs> เนี่ยตรงเนี้ยละได้ด้วยยังไงวิธีจะละทำยังไงอะไม่ใช่ ให้ปล่อยวางได้ไงมันเกิดขึ้นแล้ววิธีการคือฝึกให้มีมุทิตาพรอยยินดีกับเขาฝึกบ่อยๆเห็นใครได้ดีแต่ละคนก็ยินดีกับเขาโมทนากับเขาชื่นใจกับเขาทําได้ไมาแค่นี้ยไม่ต้องไปทําอะไรหรอกแค่ได้ข่าวว่าใครประสบดีมีสุขเนี่ยนะก็ยินดีบ่อยๆชื่นใจกับเขาบ่อยๆเรามสงสัยเราไม่เคยมีสภาพใจแบบนี้กันบ้างเลยใช่ไหม ไม่เคยมีเลยเลยมีไหม <arcade> เวลาเห็นพระท่านนั่งสงบมีความสุขแล้วยินดีกับท่านไหม ย, ย, ยินดียังไงมาแกล้งนั่งหลอกลวงเราอยู่ตรงนี้เวฝึกอย่างเงี้ยฝึกเมื่อที่ตายเป็นอย่างเงี้ยมันไอตัวฤิษยาจะถูกทำลายนะฝึกใบบอนแล้วต่อไปจะชำนาญมากเลยทีเนี้ย พอเห็นคนอื่นประสบความได้ดีมีสุขทั้งหลายเนี่ยอา้าวอย่างยกตัวอย่างนะเวลานั่งนั่งนั่งไปในรถนี่เนะยมีรถคันหนึ่งเป็นรถที่มียี่ห้อดีราคาแพงกว่าแซงปุ๊บไปสาโทกกับเขาไหมยิน <laughs> ยินดีสาโท้ยรถเขาดีแล้วเกินเขามีบุญเนาะนเนี่ยเดียว่า <laughs> เขาแซงปาดหน้าฟุ๊บ แด้ทำไงยินดีกับเขาไหมยินดีกับเขาสิเพราะว่าโอ้ยรถเขาแรงรถเขาเร็วรถเขามีราคาแพง <c oughs> <c oughs> ฉันรู้นะยอมคิดอะไรเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าอยากเกิดเป็นคนตระกูลต่ำ <c oughs> ก็จงริษยาคนเยอะ <c oughs> ๆนะ <c oughs> วิธีการนะอยากเป็นคนเกิดในตระกูลต่ำอยากเป็นคนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอะไรนะวิธีการเลยนะฝึกลิศยาค น, นเยอะทำเลยทำลิศยาหินใครก็ลิศยาเยอะแต่ถ้าอยากเกิดในตระกูลสูงนะอยากเป็นคนยอมได้รับยอมรับนับถืออยากเกิดในตระกูลสูงยอมก็เพียงแค่พอ ย, ยินดีกับเขาทำได้ไหมยอมไปเลือกเอาว่ายอมจะเดินทางไหน ถ้ายอมอยากจะวิบัตินะมีทรัพย์แล้วอยากให้ทรัพย์วิบัตินะก็คิดคิดให้ทรัพย์คนอื่นวิบัติคิดเบียดเบียนทรัพย์เขาเยอะๆคิดประทุษสลายเขาคิดให้ทรัพย์เขาวิบัติแต่ถ้ายอมอยากเป็นคนมีทรัพย์มากยอมก็จงโมทนากับเขาแล้วก็ปราถนาให้เขามีทรัพย์ให้สังเกต น, นะฮะมันจะมีวิธีการแบบนี้มันมีรหลักว่ายอมอยากจะอายุยืนหรืออายุสั้น อยากอายุยืนยอมก็อยา่าฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่พอนะสภาพจิตใจนั้นยอมต้องปรารถนาให้เขาเป็นผู้มีความสุขมียายุยืนด้วยไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวไม่ได้เพราะไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวยังไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะถ้าสมมติว่าเอายอมไปขังไว้ในคุกเนี่ยขังไว้ตั้งห้าสิบปียอมก็ฆ่าใครไม่ได้หรอกยอมคิดหรือว่าเขามีสีมองออกไหม มันอยู่ที่เจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าแล้วก็มีความปราถนาเขามีอายุยืนด้วยถ้ายอมทําอย่างนี้เรืยๆื่อยๆืๆยอมจะเป็นคนค้นมีความสุขมีอายุยืนเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่เจตจํานงความจงใจและตั้งใจแต่ถ้ายอมปราถนายอยากเป็นคนมีอายุสั้นง่ายนิดเดียวก็คือเจอใครก็นึกให้เขาตายเร็วให้เขาอายุสั้นคิดบ่อยๆขอให้มันตายอายุสั้นขออย่าให้มันอายุยืน แลกคิดเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์อะไรก็ แ, แต่เจอสัตว์เจอสิ่งที่มีชีวิตยอมก็คิดไปอย่างนี้เรื่อยๆยแล้วยอมจะอายุสั้นสมใจอยากแต่ถ้าปราถนาอยากจะอั่วยืนยอมก็อีกมุมหนึ่งนี่นี่หลักการปฏิบัติแบบนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่บอกว่าทําอย่างนี้จะได้แบบนี้ทําแบบนี้จะได้อย่างนี้แล้วยอมก็ไปทําเองมอง อ, อ๋อยังเดีเยวนี้สอง ถ้าอยากมีทรัพย์มากหรืออยากยากจนยอมอยากมีบ้านไฟไหม้ไหมไม่จะบอกวิธีวิธีการนะมีทรัพย์แล้วก็ไฟไหม้วิบัติโดนยึดทรัพยนะ์เนี่ยวิธีการนะวิธีการนะให้คิดประทุษร้ายบุคคลที่เขาไม่ประทุษร้ายตอบแล้วเบียดเบียนคนที่เขาไม่เบียดเบียนตอบ นะวิธีการนะเช่นเช่นช น, นักบวชเนี่ยถ้าอยากให้ได้ผลเร็วๆนะเบียดเบียนนักบวชเนี่ยดีนักพอนักบวชไม่คิดประทุษร้ายใครอยู่แล้วใช่ไหมนักบวชมีที่อยู่อาศัยก็ขับไล่ ย, ย้ายอยู่แล้วคิดประทุษร้ายคิดเบียดเบียนคิดให้นักเขาวิบัตินี่นะทําแบบนี้นะแล้วบ้านจะถูกไฟไหม้แล้วจะดอนยึดทรัพย์แล้วจะเกิดโรคร้าย แล้วอายุจะสั้นอะไรเงี้ยนะจะเจ็บป่วยแบบมีโรคภัยไข้เจ็บกระทันหันแต่ถ้ายอ ม, มอยากปราถนาอยากเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะหนึ่งก็คือสมาทานศิกขาบทข้อที่สองให้มั่นงดเว้นจากการรักและในขณะเดียวกันก็มีใจเนี่ยนะอบอ้อมอารีในการปราถนาให้คนมีทรัพย์ปราถนานอกจากไม่ไม่ ไม่น้อมเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองแล้วไม่พอปราถนาเลยนะโยนะเจอใครก็ขอให้เขามีทรัพย์เยอะๆขอให้เขามีทรัพย์เยอะๆขอแค่คราบบริบุญได้ทรัพย์ขอให้เขาใหญ่ได้ยากจนคําว่าไม่มีขอใหญ่เขาได้ประสบพบเจอเลยเนี่ยยอมกล้าแผกแผกความคิดดีๆให้เงี้ยความรู้สึกดีๆให้กับเขาทําให้ต่อเนื่องทําให้กับผู้มีศีลหรือผู้มีมีทั้งหมดเนี่ยคํา ใจให้ได้อย่างนี้เืยๆๆๆๆยอยยมจะเป็นคนมีทรัพย์เยอะต่อไปมีทรัพย์แล้วทรัพย์ก็ไม่วิบัติไม่วิบัติเพราะไฟไม่มีวบัติเพราะน้าไม่วิบัติเพราะโจรป้นแล้วก็ไม่วิบัติเพราะโดนยึดทรัพย์หรือผู้เบียดเบียนได้ทายาทมาก็จะมีทายาทดีๆแต่ถ้าปรารถนาอยากให้ทรัพย์วิบัตินะทุกทอย่างเมื่อสักครู่ทามาจะ จะต้องถูกเจวิบัติด้วยไฟบ้างน้ำบ้างลมบ้างแล้วก็โจรแล้วก็ถูกยึดหรือไม่ถูกยึดก็จะมีทายาทไม่ดีมาผานหมดเลย <sends you. S 1> เห็นไหมหลัากการมันเป็นแบบนี้ยมพอจะมองเห็นหรือยังว่าจริงๆมันเป็นหลักปฏิบัติไม่ยากถ้าเราเข้าใจในในการดําเนินชีวิตยอมอยากให้ครอบครัวแตกแยกไหมหรืออยากให้ครอบครัวแตกแยกถ้าลองทดลองนะ การพัดผ้าการแย่งคู่คลองคนอื่นมาเป็นของตนเองแล้วก็ปราถนาให้ครอบครัวของคนอื่นวิบัติยอมใช้มโนกรรมคิดบางทียอมไม่ต้องไปทํำด้วยกายกรรมเลยนะใช้แค่มโนกรรมเนี่ยคิดแย่ ง, งคนนั้นมาเป็นของตนเองแย่งคนนี้มาเป็นของตนเองคิดให้ครอบครัวนี้วิบัติขอให้เขาอย่าแตกแยกกันเถอะแล้วก็ขอให้คนนั้นที่เราชอบมามามารักเรามาชอบเราคิดเยอะ ๆ, ๆอยอมแบบเนี้ยเดี๋ยวก็พัง เดี๋ยวกรรมนั้นมันจะให้ผลกับเราเนี่ยนะแต่ถ้าปรารถนาอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงหรือว่าสมัครสมานสามเมื่อกีก็หนึ่งถือศีลข้อสามด้วยนะประการต่อมาคือด้านจิตใจก็ต้องน้อมให้เขาอยู่ดีมีสุขก็หลอย่างเอออยากจ ะ, อ ย, กจะอยากจะมีบริวารมีบริวารมีเพื่อนฝูงทั้งหลายแตกแยก ไปนะที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจเราเนี่ยโกหกเยอะๆพูดเท็จในนีนน้แล้วก็พูดให้คนทะเลาะ ก, กันเสียมมายองเสียมคนนั้นกับคนนี้ให้มันทิท่มกันมันสองกลุ่มดีนักใช่ไหมให้สองกลุ่มนี้มันปะทะ ก, กันแล้วก็ให้มันแตกกันนะถ้าทำอย่างนี้นะเนีย่ยทำเรื่อยๆแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อ หลักการตัวเนี้ยจะเป็นเหตุทําให้เราหนะักเข้าหนะักเข้าจะไม่มีใครครบเราเลยแล้วเราก็จะหาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมลูกก็ทิ้งเราแม่ก็ทิ้งเราเพ่อใครๆพากันทิ้งเราหมดหนะักเข้าหนะักเข้าหาคนจะดีกับเราไม่มีเลยบริวารก็หนะักเข้าหนะักเข้าแตกแยกยับเยินหมดเนี่ยวิธีการแต่ถ้าโอนไม่เอาแล้วแล้วปรารถนาอยากให้บริวารญาติมิตรทั้งหลายสมัครสมานสามัคม ค, ค, คียอมก็หนึ่งพูดพูดคําจริง พูดคาที่เป็นประโยชน์พูดสมัครสมานสามาคัคคีพูดถูกกาลนะพูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาหรือพูดด้วยมุทิตาถ้าทําแบบนี้นะทําเรืเ่อยๆๆๆยอมจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนสังคมสิ่งแวดล้อมจะเป็นปึกแผ่นแล้วก็แปลกมากแปลกตรงไหนรู้ไหมแปลกตร ง, ตรงที่ว่าบุตรบริวารญาติมิตรทั้งหลายนะ น, น้อมที่จะเชื่อฟังแล้ว ร, รู้สึกว่าพูดแค่คําเดียวเขาก็ไปทําตามหมดเลยดิ ชอบแบบนี้ไหมถ้าต้องการอยากจะให้วิบัติเยอะกว่านั้นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือยอมเอาของมึนเมาใส่ในกระแสะชีวิตทุกวันแล้วมันจะล่วงละเมิอดอีกเยอะเลยนะสติมันจะดนมันจะทำลายตอนไอ้สติสมัยเชัญญยาก่อนแล้วหนักเข้าจะเข้าเนี่ย ถ้ายกประมาณสักสี่สิบขึ้นไปเนี่ยเริ่มแล้วมันคิดอ่านอะไรไม่ได้สมองเริ่มพังเลยสมองส่วนหน้ามันจะพังก่อนเนี่ยพอสมองส่วนหน้าพังปุ๊บเนี่ยสติสมรชาญญาไม่ทํางานปุ๊บมันจะเหลือแต่สัญชาตญาณคือความรู้สึกยอมลองสังเกตุคนกินเหล้าเยอะๆหรือกินยาเสพติดเยอะๆยอมเคยกินเหล้าไหมเคยไหมตอนนี้ยังกินอยู่ไหมทาท่ายิ้มไปกินเยอะๆ สมองมีสองส่วนย่ยอยๆส่วนหน้ากับส่วนหลังสมองส่วนหลังก็เรียกสัญชาตญาณสมองส่วนหน้าเป็นเรื่องเหตุและผลวิธีการก็คือเวลาของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายปุ๊บสมองส่วนหน้ามันถูกทําลายใช่ไหมมนุษย์ที่ใช้สมองส่วนหลังก็คือใช้แค่สัญชาตญาณชอบกับไม่ชอบเกลียดกลัวเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้ของมึนเมามันเป็นทําลายสมองส่วนหน้ามันไม่เป็นที่ตั้งของสติสมัมปชัญญะ คนประเภทเนี้ยเรื่องเหตุผลจะไม่ค่อยเอาแล้วเพราะพอของมึนมาไปไปอัดเข้าไปในกระแสชีวิตมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นอย่างนี้นะอยู่กับความรู้สึกล้วนๆยอมว่าความรู้สึกกับความรู้นี่ยอมว่าต่างกันหรือเหมือนกันความรู้สึกกับความรู้นี่เหมือนหรือต่างอ่ะต่างยังไงต่างยังไง ความรู้สึกมันจะมีชอบกับไม่ชอบใช่ไ้มแล้วก็เฉยๆในการดำเนินชีวิตเนี่ยยอมใช้ความรู้สึกส่วนใหญ่ไหมเราชอบหน้าคนนี้เราก็อยากไปอยู่ด้วยไม่ชอบหน้าคนนี้เราก็อยากจะหนีเป็นแบบนี้ไหมเราชอบสิ่งนี้เราก็กินไม่ชอบเราก็ไม่กินเราอยากนอนที่นอนแบบนี้ไม่อยากนอนที่นอนอย่างนี้เราก็ไม่นอนใช่ไหมแล้วแสดงว่าเราอยู่ตามสัญชาตญาณมากกว่าความรู้ เราเคยคิดไหมว่าของที่เราไม่ชอบแต่มันมีประโยชน์เราไม่สนใจเราจะเอาประโยชน์เราเคยคิดอย่างนี้ไหมอาหารบางอย่างเราไม่ชอบแต่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายตแต่เราจะกินมันที่นอนแบบนี้เราไม่ชอบหรอก แ, <ๆ>แต่นอนไปแล้วมันจะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีเราจะนอนอากาศแบบนี้เราไม่ชอบหรอกแต่ว่าเราอยู่แล้วมันจะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเราจะ เสื้อผ้าอย่างนี้เราไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันเหมาะแก่สังคมไทยเราคุ้นใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราเคยคิดแบบนี้บ้างไหมหรือไม่คิดหรือนานๆคิดเค้กนี่ชอบไหมชอบกินเค้กไหมจริงๆเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมไม่เป็นเลยเลยมันก็เป็นบ้างก็มีใช่ไหมแต่ว่าน้อยใช่ไหมแต่ทําไมเราชอบแต่ทำไมเราใช้ชีวิตแบบนั้นเห็นไหมเนี่ย กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าดําเนินชีวิตไปตามความรู้สึกอย่างนี้ไม่เรียกว่าศึกษาถ้าศึกษาก็คือว่าใช้ปัญญาใช้สติใช้ความเข้าใจใช้ข้อมูลความรู้มาวิจัยแยกแยะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตถ้าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยใช้กระบวนการศึกษาอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีตันหาเป็นแรงจูงใจมันจะไปที่วัตถุสิ่งเสพ ถ้ามีมานะเออมานะภาษาไทยกับมานะภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนละตัวกันเลยเนะยมานะของเราแปลว่าอะไรเนีหลักสูตรเคยเรียนกันเนียครูสอนว่าไงมานีมานะจช่ไหมล่ะเคยเรียนกันมาทางนั้นพวงเนี่ยใช่ไหมมานีมานะมานะในที่นั้นก็แปลว่าเยื่อยิงถือตัวแปลว่ายกตนชูตนเปรียบเทียบตนมานะเป็นกิเลสเหตุผล คนไทยเอามานะมาเป็นความพยายามเนี่ยมันเป็นการใช้ผิดคือบอกว่าลูกเอ้ยขยันเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนในสมัยก่อนเขาสอนกันแบบนี้เนี่ยยกยอมเนี่ยสอนแบบนี้แหละไม่ใช่ยกอัตมานะยกยอมเขาสอนอย่างนี้แหละนั้นก็เลยเอาตนเองเป็นตัวตั้งไงเอาตนเองเป็นใหญ่ปราถนาตนเองเป็นใหญ่เป็นโตทั้งหลายนี่ก็เลย ปารบตนปารบการปารบอัตราตัวตนอย่างเงี้ยเขาเรียกมานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนตนต้องแน่ตนต้องใหญ่ตนต้องดีตนต้องเด่นตนต้องดังที่ทำทั้งหมดก็เอาตนนี่แหละเป็นตัวตั้งอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามีมานะเป็นแรงจูงใจถามว่าทำไมคุณทำงานตัวนี้โอ้ยตัวเองมีชื่อเสียงเนะ่ยตัวเองได้ประโยชน์นี่ฉันตัเองยึงต้องท ไม่ได้สนใจคนอื่นหรอกเอาตนเองเป็นตัวตั้งเลยว่างั้นเถอะอาทำไมไปงานนี้โอ้โหต้องไปเพราะไปงานนี้ปุ๊บเนี่ยตนเองเด่นตนเองดังแล้วเขาโฆษณาตัวฉันอยู่เรื่อยเลยไหมมันอยากจะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนกรณีอย่างนี้เขาแบบมานะเขาจะอยงเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสเป็นกิเลสมันต่างจากคาว่าเพียรพยายามนะวีระวิริยะเนี่ยวิริยะวิริยะเนี่ย ลิ้นของคนไทยอ่านเป็นวิริยะแต่ภาษาบาลีจริงๆมาจากคําว่าวีระศัพท์นั้นเน่ยเขาแปลว่ากล้าแปลว่าแกล้ว ก, กล้าอาถานก้าวไปใจสู้เป็นเชื่ อ, องความบุกฝ่านั้นมาพูดเป็นภาษาไทยแล้กวก็เพียนเพียรพยายามแต่เนี้ยแปลว่าบุกฝ่าก้าวไปไม่ทอ้อไม่ถอยเนี่ยหลักของความเพียนเนี่ยนี่ไม่ใช่มานะนี่เป็นความแกล้ากล้าอาถาน นี่เป็นวิริยะดีไหมดีแต่ถ้ามานะอันนี้ไม่ดีเป็นกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสฉะนั้นถ้ามีมานะเป็นแรงจูงใจก็คือคือไงเอาตนเองเป็นข้อเปรียบเทียบเลยที่ทําทั้งหมดเนี่ยตนได้ตนเสวยตนได้มีตนได้ความสุขตนได้รับชื่อเสียงเกียรติยศก็เอาตนเป็นตัวตั้งที่ทําทั้งหมดก็เลยปารลบตนมองเห็นไหอยังนี่เขาเรียกมานะ เป็นแรงจูงใจเออพวกเราเวลาทำงานกันเรามีตัณหาหรือมานะเป็นแรงจูงใจในการทำงานฮทั้งสองเลยบะอาืาถ้าจะทำต่อไปก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะบอกจะบอกผลดีผลด้อยของมันยังไงจุดเด่นจุดด้อยมันเออเอามานะ เอาเอาตันหามานะเป็นแรงจูงใจในการทํากิจกรรมของชีวิตหรือดําเนินชีวิตในการเลี้ยงชีพเป็นต้นหรือในการประกอบอาชีพในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะมีจุดจุดใดเขาก็คือมันจะทุกข์ตลอดมันจะเครียดตลอดมันจะกุมตลอดเพราะมันจะไอความต้องการของตนเองมันจะเปลี่ยนไอความสุขที่พึงปราถนามันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดแล้วมันไม่รู้จักพอ มันมันจะกรุ้มมันจะเครียดยอมเป็นบ่อยไหมเครียดเนี่ยบ่อยใช่ไหมแล้วทุกตลอดเลยใช่ไหมมันเกิดความเร่าร้อนเกิดความ ร, ร он, ่าเรตลอดเวลาในใจนี่นะเร่าร้อนตลอดเวลามันอยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากจะให้คนนี้เป็นอย่างนี้มันอยากจะกำกับมีโลูกก็อยากให้โลกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีสามีมีภรรยามีญาติมิต ร, รทั้งหลายนี่ก็กากับมันต้องการไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะ แล้วก็ปารบตนเองตนเองแ ย, ย่เขาไม่เห็นแก่เราอะไรเยอะแยะหมดเลยตอนเนี้ยใช่ไหมน้อยอกน้อยใจสรารพัดหมดเลยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้เรียกเพราะว่ามีตันหากับมานะเป็นแรงจูงใจแต่ว่าถ้าบันทีมันประสบการสําเร็จได้นะมันหาทรัพย์มาได้จริงๆแต่พิมันมีข้อด้อยอยู่ตรงที่ว่าสามารถมีบ้านมีรถมีทรัพย์มีเงินมีทองมีเครื่องอุปโภคบริโภคได้จริงๆด้วย ถ้าคนอื่นมองเข้าไปเหมือนสุขแต่ตนเองไม่สุขเลยเพราะมันมันรู้สึกว่าความพอความต้องการเนี่ยความเร่าร้อนในใจมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยจิตใจมันกระเพื่อมตลอดเวลามันมันไม่สามารถที่จะสงบเยือกเย็นแล้วเป็นสมาธิแล้วมีความสุขได้เพราะอะไรเพราะมันปั่นอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัณหากับมานาะมันปั่นทาใจให้ทุกข์ทา ให้ร้อนลุ่มตลอดเวลาหยุดไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนตลอดเวลาตอนนี้ขนาดไหนก็ดิ้นดิ้นดินดิ น, ดนตัวนั่งอยู่เนี่ยจใจมันก็ดิ้นดินรนร้อนรนตลอดเวลาเลยกระสับกระจ่ายตลอดเวลหวัวนี่ปั่นอยู่ตลอดเวลาเลยเคยเป็นมไหมลักษณะอย่างนี้ก็เรียวกว่าตัณหากันมานะเป็นแรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไหมทีนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวฉันทะถ้ามีฉันท้าเป็นแรง ภูมิ ใ, ใจนะกุศลชันท้าเออันท้ามันจะมีลักษณะอย่างนี้ว่ามันมีใจรักมันจะมีใจรักไฟนะไฟเรียนไฟรู้ไฟศึกษาไฟสร้างสรรค์มันจะมีใจรักในการทำงานนะถ้าเป็นชันท้าในขณะที่ไปทำงานมันจะมีความสุขกับการทางานมันเห็นงานนะ่ะยิ่งได้ศึกษาได้ฝึกฝนได้พัฒนาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจ ได้ปัญญาในการรอบรู้ได้ความเข้าใจนะมันมีใจรักในสิ่งนั้นมันรักในธรรมะมันมีความอยากทำนะอยากทําทอทหารเนี่ยเพื่อเข้าถึงธรรมทอทงก็คืออยากทําเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามไอ้ธรรทอทหารเข้าสู่ธรรมทอทองนะทอทงรอเรือสองตัว ม, มามะเนี่ยมันอยากทําเพื่อเข้าถึงธรรมมันอยากทําให้ดีที่สุดและเข้าถึงสิ่งที่ดีหรือภาวะที่ดีที่สุด เห็นไหมเข้าถึงจุดหมายที่ดีเข้าถึงภาวะที่ที่ดีที่สุดในขณะที่ทำเนี่ยใจมีความสุขในการทําด้วยไม่ว่าจะเป็นค้าขายไม่ว่าจะเป็นทํางานสอนหนังสือไม่ว่าจะเป็นพยาบาลทั้งหลายมีความสุขกับการได้ทําแล้วได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนากระแสชีวิตของตนเองด้วยทักษะความรู้ความสามารถทั้งหลายมันเพิ่มขึ้นอู้ยิ่งมีความสุขใหญ่และยิ่งได้เข้าถึงจุดหมายที่ดีผลของงานมันได้ผลเรายิ่งมีความสุข มันเข้าในลักษณะว่า ง, งานก็ได้ผลคนมันก็เป็นสุขใช่ไหมงานได้ผลคนเป็นสุขงานไม่ได้ผลคนก็ยังเป็นสุขอยู่ดีถึงงีผลยังไม่เกิดทีนี้ถ้าหากว่างานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์มันเสียสองเลยใช่ไหมงานได้ผลงานไม่ได้ผลคนเป็นสุขก็ยังดีระดับหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นฉันท้าจริงๆงานก็ได้ผลคนก็เป็น เออมันได้อย่างนี้มันมันเข้าถึงความสุขในขณะที่ได้ทําเห็นไหมตัวฉันท้ามีแรงจูงใจมันกลายไปมุ่งเน้นที่ทําเพื่อเข้าสู่ธรรมก็คือทออทํธรรมนี่แหละเข้าสู่ธรรมะเข้าถึงภาวะที่ดีงามในขณะที่ได้ทําไปพฤติกรรมก็ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสภาพจิตใจก็มีทั้งคุณภาพสมรรถภาพและความสุขคุณภาพก็คือจิตก็เข้าถึงเมตตามากขึ้นกรุณามุทิตามากขึ้น เข้าถึงกตันโูกระตาวทีเข้าถึงคุณความดีเข้าถึงความละอายตบบาปเกรงกลัวตบบาปสมรรถภาพก็คือเข้าถึงสมาธิคือความตั้งมั่นเข้าถึงขันติคือความอดทนเข้าถึงความเกล้ากล้าอาถารเนี่นะเข้าถึงสติคือความระลึกได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสมถะภาพแล้วสภาพความสุขก็คือปลาโมดปีติปสัสสิสุขมันเกิดขึ้นแล้วที่ตามมาก็คือได้ปัญญารู้และเข้าใจมันฝึกทั้งสด้านเลยนะถ้าฉันทะมาเนี่ยเป็นแรงจูงใจทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญามันได้อย่างนี้ มองเห็นเนี่ยแต่มนุษย์เราเนี่ยมันเข้าถึงยากที่จะมีชันท้าเป็นแรงจูงใจโดยส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าด้วยเนะมีตันหากับมานะเป็นแรงจริงมนุษย์ยึงทุกข์แล้วก็เครียดแล้วก็ก้มเงินนี่ถ้าเราปรับเปลี่ยนกระแสะชีวิตเราได้เราทําให้ตัวกุศลฉละันท้าเป็นแรงจูงใจได้โอ้มีความสุข <c oughs> เอาเวราฟังธรรมะนี่เรามีอะไรเป็นแรงจูงใจมีตันหาหรือมีชันท้า โอมาฟังผ้าวันนี้เซ็งเหลือเกินเนี่ยไอเงี้ยเครื่องตัณหาเป็นแรงจูงใจก็ยังยังตัณหาเป็นแรงจูงใจเอาลหมดเวลาแล้วเหลือห้านาทีมีใครถามเลยไหมยเอาไว้จนบ่ายเนาะเต็มตอนที่พระเข้ามาเรายังไม่ได้กราบพระกันเลยกราบพระก่อนจะกลับอก่อนอะไปทานอาหารดีไหมกราบพระพร้อมกันนะ อัลหลังสมาวะบองอลหาังสมา